ข้อ6ในหน้าสิบเปฐมวิพัฒน์ในอัตอารปนะอาลปนะคือคือคำเรียกคำเรียกถ้าคำร้องเรียกนี่แสดงว่าอยู่ไกลนะอาลัปนะใช้ได้ทั้งใกล้ทั้งไกลคำเรียกเรียกทําไมคำเรียกให้รู้ตัวก่อนจะพูดด้วยมีอยู่แล้วข้างล่างเนี่ยอาลปนะเป็นคําสําหรับเรียกให้รู้ตัวก่อนจะพูดด้วยมีประโยคภาษาบาลีอยู่ทั้งหมด9ประโยค9ตัวอย่าง ตัวอย่างที่1ตัวอย่างที่สองตัวอย่างที่สามตัวอย่างที่สตัวอย่างที่ห้ามีอยู่ในพระวินัยปิดกเป็นประโยคบาลีจริงไม่ได้แต่งขึ้นตัวอย่างที่หอยู่ในพระสูตรเล่มที่ย5ิห้าตัวอย่างที่เจดที่8ที่9ทั้งหมดตั้งแต่ประโยคที่6 7เจดดอยู่ในพระไตรปิฎกเล่ม25้าเรื่องราวในพระไตรปิฎกเล่ม25้า ส่วนข้อหนึ่งถึงข้อห้าเนี่ยอยู่ในพระวินัยพิดกได้แปลพระไตรปิดกจริงจริงการแรกเลยวินัยพิดกเปิดไล่มาตั้งแต่นาคแรกๆเป็นต้นไปแล้วเล่มหนึ่งเลยพระไตรปิดกเล่มหนึ่งก็เล่มยี่สบห้าเรามาลองแปลดูข้อหนึ่งพระควโตวจะสังริปุตตะปัสิตสวิปัสสิตะพระควโตจะสิกิตะพระคัภีรโตจะเวสพุทสะมีชื่อพระพุทธเจ้าสามพระองค์ คำที่เป็นอารพณะในประโยช์คือสังริปุตตะถ้ายกสังริปุตตออกไปนะก็จะได้คําเป็นชุดๆว่าพระควโตจะวิปัสสสะพระควโตจะสีะขิตสะพระควโตจะเวสพุทสะส่วนสาริปุตตะนั้นเป็นอารพณ ะ, ะแล้วก็ตามด้วยพระธรรมจักรียังนาจริงรัตถิติกลางอโหสิสาริปุตตะคานี้เป็นคําที่พระพุทธเจ้าตรัสเรียกท่านพระสางริบุตร เป็นคำของพระพุทธเจ้าจริงๆสาริพุตตาเนี่ยก่อนจะแปลสองประโยคนี้เคยเล่าให้ฟังครั้งแรกวันแรกที่เปิดเรียนบาลีเบื้องต้นจำได้ไหมว่าพรรษาที่12วันออกพรรษาที่ส2องท่านพระสารีบุตรเถระหลังจากเข้านิโรธสมาบัติออกจากนิโรธสมาบัติมาก็เกิดความเป็นห่วงเป็นใยพระศาสนา ได้ยินอยู่บ่อยๆว่าพระพุทธเจ้าเราเนี่ยตรัสถึงพระพุทธเจ้าในอดีตว่าพระพุทธเจ้าในอดีตชื่อว่าวิปัสสีบ้างสิขีบ้างเวสภูบ้างชื่อว่ากากูสันทะชื่อว่าโกนาคมะณะชื่อว่ากัสปะบา้างอยากจะรู้เอ๊ะตอนนี้เริ่มจะสงสัยว่าพระพุทธเจ้าที่พระพุทธองค์ได้ตรัสถึงอยู่บ่อยๆนะว่าคนนี้เคยทําบุญไว้กับพระพุทธเจ้าชื่อนี้ชื่อนี้ในอดีต อยากจะรู้นักว่าพระพุทธเจ้าในอดีตเนี่ยองไหนมีอายุศาสนายืนยาวที่สุดองค์ไหนมีอายุศาสนาสั้นที่สุดเกิดอยากรู้ขึ้นมาด้วยวิสัยของท่านภาษากริบุตรแม้จะมีปัญญามากก็ตามก็ไม่สามารถจะอย่างรู้ได้ว่าศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดมีอายุสั้นและมีอายุยืนจึงนําความปริวิตตกเป็นห่วงของตัวเองนี้เองเนี่ย เข้ากราบทูลถามพระผู้มีพระภาคถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระพุทธเจ้าในอดีตมีมากข้าพระองค์อยากจะทราบว่าพระพุทธเจ้าองค์ใดมีศาสนาอายุสั้นพระองค์ใดมีศาสนาอายุยืนดังนั้นข้อ1และข้อ2เนี่ยเป็นคำเป็นพระดำรับที่พระพุทธเจ้าตรัสกับท่านภาษาลิบุตรว่าสาวิตรตดูก่อนสาริบุตรหรือไม่ดูก่อนก็สารีบุตรเฉย ภาษาบาลีให้สังเกตว่าเป็นสังริปุตตะนะไม่ใช่สังรีปุตตะนะแต่ฉบับไทยนิยมเป็นสังรีปุตตะสังรีปุตตะเทงโกรฉบับบาลีไทยพระไตรปิฎกไทยนิยมทีฆะเหลือเกินอีเป็นอีอันชังริก็เป็นอัญชลีวิถีก็เป็นวิถีวีงริยาก็เป็นวิริยากลับกันกลับกันอีเป็นอีอีเป็นอีอนอจริงๆเป็นสางริปุตตะ ส่วนฉบับไทยเป็นสา ร, รีบุตตะ อ, อ๋อในภาษาไทยครับส่วนบาลีเป็นปีติอย่างเดียวครับปิติไม่มีครับส่วนไทยปีติก็มีปิติก็มีสารกีบุตตะดูก่อนสา ร, รีบุตรพรห ม, มจังกรียงพรห ม, มจังกริยศัพท์เนี่ยนะในที่นี้แปลว่าพระาศาสนาไม่ได้แปลว่าพรห ม, มจัณฑ์ทำไมจึงไม่แปลว่าพรห ม, มจัณฑ์ทำไมแปลว่าพระาศาสนาอ่าค้นคำพี พระมัจริยาศัพเนี่ยแปลได้หลายความหมายแต่ในที่นี้ทำไมแปลว่าศ า, าสนาใครอยากได้มาหนังสือเอาไปเอาไปรอบบวกขึ้นห้องเลยครับในคำภีอภิธานปฏีปิกาคาถาที่เจ็ดร้อยแปดสิบสามเจ็ดร้อยแปดสิบสามท่านบอกว่าทานสมิงพระมรดจริยังอปมัญญาสุ ศาสเนเมถุนางรติยังเวยาวัจเจศทางรตุทียังปัญจศีลางริยะมัคโคโปสถังคะทิติสุจักบอกว่าพรห ม, มจริยศแปลได้สิบอย่างแปลได้สิบความหมาย 1. ทานะแปลว่าการให้ทานพรห ม, มจริย่แปลว่าการให้ทาน คนที่ประพฤติพรหมจรรย์คือคนที่กําลังให้ทานก็เรียกว่าประพฤติพรหมจรรย์ได้ 2. แปลว่าอัปปมัญญาก็คือพรหมวิหารพรหมวิหารสี่เขาว่าอัปปมัญญาคือพรหมวิหารสี่เรียนอพิธรรมมาแล้วคงจะทราบแล้วพระมัจเรียเนี่ยแปลว่าพรหมวิหารก็ได้ 3. แปลว่าศาสนาคือพระาศาสนาพระมจเรียศัเนี่ยแปลว่าพระาศาสนา อย่างตัวอย่างที่เรากำลังแปลนี้แหละพร ม, มัจริยศัพท์ให้แปลว่าพระศ า, าสนา4แปลว่าเมถุนางกติการเว้นจากเมถุนดังนั้นศีลข้อ3ในศีแปใช่ไหมเราจะบอกว่าอะพร ม, มัจริยาเวรมณีนั่นแหละพร ม, มัจริยะตัวนั้นแปลว่าเมถุนคือศีลข้อนั้นคือเว้นจากการเสดเมถุนต่อไป5เวยาวัจจการขวนขวาย อธิห้าเวียวัจจะแปรวการขนขวายใครพูดแบบพืชพรหมมัจจันนี้คือคนนั้นกาลังช่วยขนขวายทำกิจนั่นกิจนี่โดยเห็นว่ามือเนี่ยเป็นบ่อเกิดแห่งบุญจะไม่อยู่นิ่งมือของตนเน่เป็นบ่อเกิดแห่งบุญไม่อยู่นิ่งเรียกว่าผู้บำเพ็ญพรหมมัจจันทำทุกอย่างจากมือนี้เป็นบุญได้หมดต่อไปหกสัางระตุถิ ความพอใจในภรรยาตนเท่านั้นไม่ไปเกาะแกะแย่งยุ่งเกี่ยวกับภรรยาใครลูกใครทั้งนั้นสถางรตุทิพอใจในภรรยาตนตุดตุดตุดเอาไปสุดทําไมลนะ่ะสันตุทินั่นแหละเอาสรรออกเอาแต่ตุทินะเจ็ดปัญจ่าศีละแม้แต่ศีลห้าก็ชื่อว่าพรหมจรรย์ ศีลหทั้งหมดนะไม่ใช่เฉพาะข้อ3นะศีลหทั้งหมดชื่อว่าพรหมจรรย์ต่อไป8อัจริยมัคคอัจเรียมัคองแปดก็ชื่อว่าพรหมจรรย์9อุปสถังคองคอุปบสดก็คือศีลแนั่นเองศีลแก็เป็นพรหมจรรย์ ศีลหเป็นพรหมจรรย์ศีล8 ก, ก็เป็นพรหมจรรย์และ10ทิฏฐิความภาคเพียนก็เป็นพรหมจรรย์ดัง น, นั้นใครที่เรียกว่าบำเพ็ญพรหมจรรย์นั่นก็คือผู้ที่กําลังทําความเพียนนั่นเองทิฏฐินคนใดเข้าไปชันทอทงครับอัดของพรหมจรรย์ย่าสามนี้สามารถไปเปิดดูได้ในทีฆนิกายอธถกถาขุทักกนิกายอธถกถาและวิัยดีการ ต้นมีแสด ง, งอัดของพระมัจรยิยศัพท์นี้ไว้หลายที่เลยอัธกถาดีการครับ ท, ที่ติสาวาแปลได้หลายอัดอย่างเยอะครับอย่างหนึ่งก็คือทิฏฐิสาวกแปลว่าพรหมจรรย์ครับในจํานวนสิบอัดนี้เนี่ยพระมจริยังที่อยู่ในอุท า, หารหอที่เรากําลังแปลนี้เป็นอัดที่สามที่ท่านแสดงก็คือพระศาสนาพระมจริยังแปลว่าพระศาสนา ดูต่อไปนะส่วนณนะปฏิเสธกิริยาอโหสิเป็นกิริยาอาชันธนีวิพัฒน์เป็นอดีตอโหสิแปลว่าได้มีแล้วได้เป็นแล้วจิกระบวกถิติกังเป็นจิกระทิติกังต่อประตัดนั้นซ้อนในสมารจิกระแปลว่านานแปลว่าชั่วการละนานแปลว่ายั่งยืนแปลว่ายาวนา น, าา น, า น, า น, านจิกระ อย่างคนชื่อก็ยินดีในภริยาตนเท่านั้นเมื่อกี้มีสองข้อนะหนึ่งเว้นจากเมถุนเข้าใจใช่ไหมเว้นจากเมถุนนั้นต้องสมาทานปฏิบัติแม้แต่ภริยาตนก็ไม่ได้คําว่าเว้นจากเมทุนเนี่ยนะแม้แต่ภริยาตนก็ไม่ได้จึงจะเรียกว่าเว้นส่วนสัธารักทุตถีเนี่ยกับภริยาตนเท่านั้น คนอื่นพรรยายคนอื่นไม่ได้ไม่ยุ่งเกี่ยวเลยเรียกว่าประพฤติพรหมจรรย์อย่างศีลห้านะยมประพฤติพรหมจรรย์ศีลห้าเนี่ยมีภรรยาได้ก็มีศีลห้าเหมือนกันแต่ถ้าศีลแปดแล้วแม้แต่ภรรยาก็ไม่ได้ใช่ไหมนั่นนะ่ะต่างกันไงถ้าพระยินดีพระเนภรรยายตนเนี่ยรักษาศีลห้าได้ถ้าแม้แต่ภรรยายตนก็ไม่แตะต้องนั่นคือรักษาศีลแปดได้ ปัจจุบันปันจันท์เหมือนกันใช่ทิติแปลว่าตั้งแปลว่ายืนกังแปลวะ่ามีจิรัฐิิติกังจะแปลวะ่ามีการดํารงอยู่นานมีการตั้งอยู่ได้นานครับจิรัติติกังอโหสินะ่นแปลว่าได้มีแล้วได้เป็นแล้ว ส่วนณปฏิเสธว่าไม่ไ ม, ไม่ประโยคแรกมีณปฏิเสธประโยคที่สองไม่มีนั่นแสดงว่าพระพุทธเจ้าสามองค์แรกเนี่ยอายุศาสนาตั้งอยู่ได้นานหาได้ไม่หามีได้ไม่ใช่ก็เลยแปลโวหารง่ายว่าตั้งอยู่ได้ไม่นานส่วนข้อสองอีกสามพระองค์ก็ตั้งอยู่ได้นานไม่มีณปฏิเสธดูนะวิธีแปล ธรรมะเจงกิยังเป็นประธานในประโยคอโหสิเป็นกิริยาถูกณนะปฏิเสธส่วนจิกรัฐทิติกังนั้นเป็นวิกติการตาเราเคยแปลมาแล้ววิกติการตาย้อนคืนไปดูวิกติการ์ตาหน้า9ข้อ4ปัทมาวิพัตน์ในอัตวิกติการตาโกใครพุทโธโหติเป็นพระพุทธเจ้าสิท ธ, ธัตถุพุทโธโหติ สิทัตถราชโกมานนั่นแหละเป็นพระพุทธเจ้าดังนั้นอยู่หน้ากิริยาว่ามีว่าเป็นจะต้องแปลว่าเป็นลงไปด้วยปฐมาวิพัตน์ไม่ว่าจะเป็นปุงลิงออกว่าโออิทีลิงอาหรือนปุ๋งสกลิงว่าอังก็ตามหน้ากิริยาว่ามีว่าเป็นและแปลคําว่าเป็นลงไปด้วยบทนั้นจะถูกเรียกว่าวิกติขตาแปลว่าตัวขยายกัตตาให้พิเศษอยู่หน้ากิริยาว่ามีว่าเป็น อธิบายมาแล้วไม่สงสัยแล้วเพราะอธิบายมาแล้วถ้ายังไม่อธิบายสงสัยได้อธิบายมาแล้วผ่านมาแล้วดังนั้นคำว่าจิงรัตทิติกลางเนี่ยอยู่สิว่าอยู่หน้าคริยาว่ามีว่าเป็นไหมโอโหสิว่ามีว่าเป็นแล้วก็ขยายพรหมจริย์ยังไหมขยายพรหมจริย์ยังดังนั้นพรหมจริยังเป็นน้ำปุงสกลิงจิงรัตทิติกลางก็เป็นนปุงสกลิงตามถ้าไปขยายปุงลิงก็จะเป็นจิรัตทิโก ถ้าไปขยายอิทิลิงก็จะเป็นจิงรัตทิติกาดังนั้นเมื่อขยายพรหมจังริยังก็เลยเป็นอังเหมือนกันสิปธรรมวิพัฒน์เป็นอังในนภุงสกลิงเวลาแปลก็จะแปลอย่างนี้ว่าพรหมจังริยังพระศาสนาพักขวโตจะวิปัสสิตะพักขวโตของพระผู้มีพระภาควิปัสสิตะพระนามว่าวิปั ส, สี จะด้วยพระศาสนาของพระผู้มีพระภาคพระนามว่าวิปัสสีด้วยพระครวตโตจะสิกิตสะของพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิขีด้วยหรือจะใช้ว่าพระพุทธเจ้าหรือพระผู้มีพระภาคแล้วแต่จะใช้แล้วแต่นิยมแปลส่วนมากท่านจะแปลตามตัวพระครวตโตก็แปลว่าพระผู้มีพระภาคพุทโธค่อยแปลว่าพระพุทธเจ้า สัทธาก็แปลว่าพระศาสดาตามตัวเลยส่วนโวหารจะแปลว่าอย่างไรก็ได้นะขอได้รู้ว่าเป็นพระรพุทธเจ้ า, าได้ไม่ผิดอะไรจะตรงนี้จะใส่ตรงไหนได้ทางนั้นดูนะต่อไปนะพระคาวโตวจะสิขิตะ ของพระผู้มีพระภาค พ, พระนามว่าสิขีด้วยพระคัมภโตจะเวสพุทธะของพระผู้มีพระภาค พ, พระนามว่าเวสภูด้วยจิรัฐิติกังเป็นพระศาสนาอันดำรงอยู่ตลอดกาลนานนะอะโหสิไม่ได้มีแล้วไม่ได้เป็นแล้ว ไม่เป็นเป็นแต่ว่าไม่เป็นปฏิเสธที่หลังหรือถ้าจะแปลงรวบกันก็บอกว่าณนะจรรธิติกังโอโหสิไม่เป็นศาสนาอันดารงอยู่ได้นานเอาไม่ก่อนเลยณไม่อโหสิเป็นไม่เป็นแล้วก็ศาสนาอันดำรงอยู่ได้นานอันดำรงอยู่ตลอดกาลนาน ในลักษณะเดียวกันข้อสองก็แปลเหมือนกันเลยเปลี่ยนแต่ชื่อเปลี่ยนแต่พระนามของพระพุทธเจ้าพระควโตจะกุกะกุสันทัศนะพระคัภีรโตจะโกนาคามนัสสะพระควโตจะกัตสปัสสะส่วนดำรงอยู่นั้นเอาณออกซะก็ไม่ถูกปฏิเสธว่าพระมจจริยงพระศาสนาของพระพุทธเจ้าทั้งสามพระองค์จริงรัตทีติกังอโหสิ เป็นศาสนาดำรงอยู่ได้นานเป็นพระศาสนาอันดำรงอยู่ตลอดกาลนานถ้าแปล ง, ง่ายๆก็เป็นพระศาสนาดำรงอยู่ได้นานทีนี้แปลทั้งประโยคจะแปลววาอย่างนี้สารีพุตตะดูก่อนสารีบุตรพระมจัจจรียังพระศาสนาพระควะโตของพระผู้มีพระภาค วิปัสสิตะพระนามว่าวิปัสสีจะด้วยพระควโตของพระผู้มีพระภาคสิกิตะพระนามว่าสิขีจะด้วยพระควโตของพระผู้มีพระภาคเวสสพุตสะพระนามว่าเวสสภูจะด้วยณนะจิงรัติติกังอโหสิ ไม่เป็นพระศาสนาอันดำรงอยู่ได้นานวางหน้าครับทำไมเหรอตรงนี้มันกลับกันใช่ไมมันไม่ตรงตามนั้นใช่ไหมอันนี้เป็นโวหารครับถ้าเป็นคำคำเดียวนะครับไม่มีหลายพระนามไม่มีหลายพระองค์นะก็จะใส่ข้างหน้าเลยครับ วิปัสสิสะ พ, พระกัโตพระ ม, มจริยังนาจิรติติคังโหสิอย่างนี้จบเลยครับแต่นี่ว่ามีพระพุทธเจ้าหลายพระองค์ถ้าใส่พระกัโตสับเดียวแล้วก็วิปัสสิสะจะสิทิสสะจะเวสภุสสะจะอย่างนี้ไม่ได้ครับดังนั้นพอมีพระกัโตหลายตัวหลายตัวก็เลยแยกว่าแบ่งไว้ว่าจะสุดตรงไหนตรงไหนตรงไหนก็เลยมีการสลับตําแหน่งนะครับแล้วก็เพื่อความสลับสลวยของจำนวนภาษาในประโยคนี้ด้วย ต่อไปดูข้อสองสางรีปุท ต, ตะดูก่อนสารีบุตรพรหมจังริยังพระศาสนาพระควตโตของพระผู้มีพระภาคกะกุสันทัตสะพระนามว่ากะกุสันทะจะด้วยพระควตโตของพระผู้มีพระภาคโกนาคมนัสสะพระนามว่าโกนาคมณะจะด้วย พระคาวะโตของพระผู้มีพระภาคกัตสปะพระนามว่ากัตสปะจะด้วยจิงรัติติกังอโหสิเป็นพระศาสนาอันดำรงอยู่ได้นานอะยมถามเ้วเพราะอะไรภาษาที่บุกก็ถามอย่างนี้แหละ พระพุทธองค์ตรัสกับท่านภาษาลีบุตรท่านภาษารีบุตรก็ท ร, รรทราบชัดดีแล้วตอนนี้ว่าพระพุทธเจ้าสามพระองค์นะวิปสัสสีสิขีเวสภูสาศาสนาอายุสันส้นสั้นส่วนพระกากุสันทะโกนาคมณะและกัสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยอายุพรรษาสนายืนยาวพอท่านภาษารีบุต ร, รทา ร, า ร, ต ร, ราบ ว่าสั้นยาวอย่างนี้แล้วก็เกิดความสงสัยต่อไปอีกว่าอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยนะอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยโกเหตุโกปัจโยท่านสาธุบุถามต่อเลยอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยพระพุทธเจ้าค่ะถามง่ายๆก็คือเพราะเหตุใดนั่นเองเพราะเหตุใดเพราะเหตุอะไร พระพุทธเจ้าจึงตรัสตอบท่านภาษาริบุตรว่าดูก่อนสารีบุตรแต่ว่าไม่ได้ยกประโยคบาลีมาพราะแต่ละประโยคนมันยาวยาวๆนั้นเลยยกมาเราก็แปลมันถูกมันยาวบางประโยคน์หกเจ็บรรทัดประโยคเดียวพระพุทธเจ้าตรัสว่าสา ร, ริบุตรพระพุทธเจ้าสามพระองค์คือพระวิปัสสีสิขีและเวสภูที่มีอายุพระศาสนาสั้นนั้นน่ะเพราะว่าไม่ทรงบัญญัติศิกขาบทเอาไว้ ถามว่าทําไมจึงไม่บัญญัติศีขาบทตลอดพระชนชีพของพระพุทธเจ้าทั้งสามพระองค์นั้นนะ่ะไม่เคยบัญญัติสีขาบทเลยแม้แต่สีขาบทเดียวไม่มีศีลพระเลยเอา้าวแล้วพระพุทธเจ้ากําหนดหลักศาสนาไว้ยังไงไม่มีพระวินัยหรือเมื่อไม่บัญญัติสีขาบทแล้วพระวินัยอยู่ไหนบอกว่ามีเพราะว่าคําว่าปาติโมกเนี่ยในศาสนานี้มีปาติโมกสองอย่างหนึ่งโอวาทปาติโมก สองอานาปาติโมกโอวาทาปาติโมกเนี่ยก็คือวันมาคบุชาเราจำได้ไหมวันที่สงอรหันตสาวกมาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมาย 1,250 องค์มารวมกันที่พระเวรุวันแล้วพระพุทธเจ้าก็แสดงพระโอวาโอวาทาปาติโมกว่าสามข้อสั้นๆว่าสัพพปาปัสะะปะปะสะการนัง กุศลสัอุปสัมปทาสจิตะปริโยธาปนังเอตังพุทธานาสาสนังนี้คือหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์พระพุทธเจ้าในอดีตสามพระองค์นี้เนี่ยทรงแสดงเฉพาะโอวาทปาติโมกเท่านั้นไม่ได้แสดงอานาปาติโมกไม่ได้บัญญัติศิกขาบทที่ตรัสอย่างนี้ก็เพื่อจะสะท้อนให้เห็นว่า พระพุทธเจ้าในยุคนั้นเนี่ยเกิดมาในยุคที่ผู้คนเป็นคนดีเป็นบัณฑิตเป็นส่วนมากเป็นคนมีศีลมีธรรมมีอาจารย์ระบงดงามไม่ล่วงละเมิดสิ่งที่เสียหายใดๆลองคิดดูพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีพระพุทธเจ้าเองเนี่ยมีอายุยืน8 0ดหมื่นปีศาสนาของพระองค์ คูณด้วยสองคือหนึ่งแสนหกหมื่นปีพระศาสนาอายุยืนหนึ่งแสนหกหมืนปียืนไหมยื น, ยนแต่นับช่วงอายุคนสิคนอายุแปดหมื่นปีดังนั้นศาสนาพระพุทธเจ้าอยู่ได้แค่สองช่วงคนเท่านั้นเองแม้จะนับโดยปีว่าหนึ่งแสนหกหมืนปีก็จริง แต่สืบทอดได้สองช่วงอายุคนศาสนาก็เสื่อมคนคือคนที่เกิดมาหลังจากพระพุทธเจ้าคือระยะมันยาวไง1น0 0 0 0ปีใช่ไหมเรานี่เพิ่งจะล่วงมา 2,546 ปีเองครับตอนนี้ก็เริ่มเกลีมาเลเกเรแล้วเนี่ยพระก็ขี่เกียรเรียนบาลี อยากจะถามนะนี่เพียง 2,000 ปีแต่ว่าศาสนาพระพุทธเจ้าในอดีตตั้งแส0 0 0 0ปีใช่ไหมมานานเหมือนกันนะนับโดยปีนะนานครับแต่ว่าคนอายุยาวอายุยืนแต่และคนอายุตั้ง8 0ด0 0ปีดังนั้นพอตัวเองตายสืบทอดศาสนาเอาไว้แนะนำสอนลูกสอนได้ว่าอย่าทำชั่วนะลูกให้ทำแต่ความ ด, ดีทำจีนให้หมดจดไม่รู้ยังไงบอกไว้แค่นี้ไม่รู้ยังไง อย่าทำชั่วไม่รู้ห้ามปลีกย่อยว่าอย่างไงบ้างไม่ได้บอกในข้อปลีกย่อยาา ค, อครับไม่ได้บอกดังนั้นหลังจากสองช่วงอายุคนไปแล้วนะครับคุณระบุผู้ได้บวชในวัาศาสนารุ่นหลังๆมาไม่มีข้อปฏิบัติครับเพราะห่างจากพระพุทธเจ้ามาตั้งหมื่นไอ่แสนหกหมื่นปีใช่ไหมห่างจากพระพุทธเจ้าตั้งแสนหกหมืนปีอะไรคือหลักคําสอนของพระพุทธเจ้า ดังนั้นผู้บวชมาห่างจากุยเจ้าเป็นแสนปีนะครับก็ถือทิฏฐิถือมานะเคยปฏิบัติอย่างไรก็มาปฏิบัติมาปฏิบัติตนอย่างนั้นเคยถืออย่างไรก็มาถืออย่างนั้นเพราะว่าในวินัยไม่ได้บอกไม่ได้บอกรายละเอียดเอาไว้ว่าจะท่องทำทำตัวแบบไหนบ้างท่านก็เลยอุปมาไว้เหมือนกับว่าพอศาสนาของผู้เจ้าล่วงไปหนึ่งแสนหกหมื่นปีกุ่บุตรผู้บวชมาภายหลังมารวมกันไม่ติด เพราะไม่มีสิกขาบทบัญญัติที่จะจัดกุลบุตรต่างชั้นวันนะต่างกิริยาต่างการฝึกอบรมมามาอยู่ด้วยกันให้เป็นระเบียบได้เหมือนกับนำดอกไม้หลากสีหลากกลิ่นหลากพันมารวมวางไว้บนแผ่นกระดานโลง่ลงๆไม่ได้ร้อยไว้ให้เป็นพวงเวลาลมพัดมา ก, ก็กระจัดกระจายตกลนกันไปคนละทิศคนละทางชั้นใด ในศาสนาของพระพุทธเจ้าทั้งสามพระองค์ก็เป็นอย่างนั้นดังนั้นศาสนาจึงสืบทอดได้เพียงสองช่วงอายุคนก็เริ่มเสื่อมลงไปเรื่อยๆแต่นับโดยปีนานานแสนหกหมื 160, ่าง น, านั้ยนาส่วนพระพุทธเจ้าองค์ที่สองก็เจ็ดหมืนปีก็คือพระสิขีในเจ็ดหมืนปีพระเวสสภูหกหมื่นปีครับศาสนาคูณสองถ้าเจ็ดหมืนก็แสนสี่มืน ถ้าหกหมืก็แสนสองมืนครับพอหมดในยุคศาสนาของพระพุทธเจ้าทั้งสาพระองค์แล้วมาถึงพัทธกัปนี้พระพุทธเจ้าพระนามว่ากะกุสันทะพระพุทธเจ้าพระนามว่าโกนาคามณะและพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสปะก่อนพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยสมพระองค์ในกัปเดียวกันพระพุทธเจ้าทั้งสาพระองค์นี้มีศาสนาอายุยืนยาวครับถ้าจะพูดว่าตัวพระพุทธเจ้าเองอายุยืนเท่าไหร่อายุ พระพุทธเจ้าพระนามว่ากกุสันทะอายุยืนสี่หมืนปีครับ <c oughs> พระพุทธเจ้าพระนามว่าโกนาคมะนะสามหมื่นปีครับพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสปะสองหมื่นปีห่างกันนะมาพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคตมะน่าจะหมื่นปีนะแต่ทําไมเหลือร้อยปีก็ไม่รู้พรพุทธเจ้าอายุแค่แปดสิบปีในรอบ ประมาณร้อยปีเฉลี่ยว่าอย่างนั้นห่างกันเหลือเกินพระพุทธเจ้าสามพระองค์หลังเนี่ยเป็นพระชื่อว่าเกากุสันทัโกนาคามณะและกาสปะมีอายุพระาศาสนายืนยาวเพราะได้ทรงบัญญัติศิกขาบทที่เป็นอาณาปาติโมกเอาไว้แสดงทั้งโอวาทปาติโมกแสดงทั้งอาณาปาติโมกครับทั้งแสดงโอวาทปริโมกด้วยทั้งได้บัญญัติศิกขาบท สำหรับภิกษุเอาไว้ด้วยดังนั้นภิกษุผู้บวชมาภายหลังแม้พระพุทธเจ้าจะปรินิพานหลายช่วงอายุคนแล้วก็ตามภิกษุผู้บวชมาภายหลังเนะี่ยยังมีสิกขาบทบัญญัติห้ามทําอย่างนั้นให้ทําอย่างนี้เหมือนกับดอกไม้ต่างสีต่างพันต่างกลิ่นมารวมกันแล้วใช้เชือกร้อยเอาไว้ให้เป็นระเบียบแบบนั้นครับไม่กระจัดกระจาย พ, พิขุปฏิโมคําว่าอานาปาติโมคือภิกขุปฏติโม เนี่ยกำลังจะเล่าต่อไปให้ฟังว่าุูา้เจ้าเราสอนเมื่อไร่พอท่านพระสารีบุตรได้รับการแก้ข้อสงสัยชัดเจนดีอย่างนี้ยิ่งเป็นห่วงพระศาสนามากขึ้นกว่าเดิมอีกเอพระพุทธเจ้าตรัสสังรู้เที่ยวเทศนาสั่งสอนจนมีพระอรหันตสาวกเนี่ยนับไม่ถ้วนหลายพันหลายหมื่นองค์แล้ว แต่ยังไม่เคยได้บัญญัติอานาปาติโมกไว้เลยทรงสแสดงแต่โอวาทปาติโมกมาตลอดเป็นห่วงพระาศาสนาจึงรีบกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าเป็นอย่างนั้นจริงขอนิมนพระอพุทธองค์บัญญัติสิกขาบทไว้ในวันนี้เลยพระพุทธเจ้าค่ะพอาิบสองพรรษาแล้วพระพุทธเจ้ายังไม่บัญญัติศิขาบทเลย นิมนต์บัญญัติไว้เลยเดี๋ยวศาสนาจะไม่ยืนกราบทูลพระพูทเจ้าให้พระพุทธเจ้าบัญญัติสิขาบทไว้เลยศาสนาของเราจะได้อายุยืนยาวไม่สั้นเหมือนพระพุทธเจ้าในอดีตพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าเลยสาลีบุตรเมื่อเหตุยังไม่เกิดขึ้นการบัญญัติสิกขาบทไว้ก่อนนั้นไม่ควรเลยเธอฟังดูแล้วจะคิดว่าอย่างไร สารีบุตรมีหมอผู้หนึ่งมีความชำนาญในการวินิจฉัยโรคเป็นที่ยอมรับนับถือของคนทั่วโลกวันหนึ่งหมอเห็นบุรุษผู้หนึ่งเดินผ่านหน้าร้านหมอไปแล้วก็ทักว่าบุรุษเธอแวะมานี่ก่อนสิจับนั่นจับนี่แล้วก็บอกว่าอีกสามวันฝีจะเกิดขึ้นที่ขาของเธอวันนี้มาให้หมอผ่าตัดรอไวจะดีกว่า จะได้ฝีเกิดมาแล้วจะได้ผ่าตัดไปรอเลยเพราะฝียังไม่มีแต่จะผ่ารอไว้ก่อนเพราท เ, เจ้าถามสารีบุตรว่าสารีบุตรเธอฟังเรื่องนี้แล้วคิดว่าหมอผู้นั้นโง่หรือฉลาดภาษาสารีบุตรบอกว่าคนทั้งโลกก็จะเข้าใจว่าหมอผู้นั้นไม่ฉลาดเลยเช่นเดียวกันสารีบุตรเมื่อเหตุยังไม่เกิดขึ้นในถ้ำกลางสง เราก็จักไม่บัญญัติสีขาบทไว้นั่นแสดงว่าตั้งแต่วรนศางแรกถึงวันศาที่สิบสองเรื่องเสียหายไม่เกิดขึ้นในระหว่างสงเลยพราะพระพเจ้าจึงยังไม่ได้บัญญัติสีขาบทไว้พระเจ้ากังรับพิจารณาว่าเอาละ่ะถ้าเหตุเกิดเมื่ อ, อไหร่แล้วเราจะบัญญัติสีขาบทห้ามไว้จนมาถึงบัดนี้เพียงสองพันปีนู่นนะครับสีขาบทครบตั้งแต่ก่อนพุทธกาินิพพานครับ แต่ว่าคนยุคนี้มีบาปเยอะนะอายุถึงสั้นแค่ไม่เกินร้อยปีนั่นนะนนาา อ, อ๋อไม่ใช่ไ ม, ใชไม่มีใครล่วงละเมิดที่ดีงามเพราะสมัยก่อนไม่ใช่แต่พระนะแม้แต่พวกฤาษีชีไพรถ้าพวกถือเนคขมะาเขาจะรู้เลยสีขาบทเล็กน้อยที่เขาจะปฏิบัติเองเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเป็น ระเบียบกติกาข้อบังคับเอาไว้ว่าคนบวชเป็นฤาษีจะต้องปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าใครก็ตามเมื่อบวชเป็นฤาษีเขาถือว่าแนธข ม, มะวัดเนี่ยนะก็คืองดทุกอย่างที่ชาวโลกเขาเสพอย่างไรก็จะงดเสพทุกอย่างแล้วมาทําตัวให้ชาวโลกเห็นว่าคนเนี้ยเป็นคนเคร่งคัดปฏิบัติบําเพ็ญกายให้เหน็ดเหนื่อยเพื่อจะกําจัด กิเลสสมานในร่างกายให้หมดสิ้นนั้นถือเคร่งคัดมานานเข้านานเข้าแล้วค่อยละหลวงละหลวงละหลวง ม, มาเรื่อยในยุคคนบวชแรกๆเนี่ยยังได้บวชกับพระพุทธเจ้ายังได้บวชกับบุคคลผู้ได้บวชจากพระพุทธเจ้ายังได้บวชกับบุคคลผู้ได้บวชมาจากผู้บวชจากพระพุทธเจ้าเลยสามช่วงไปแล้ว ผู้ที่เจ้าบวชให้ผู้นี้ผู้นี้ไปเป็นอุชาบวชให้ผู้นูน้นผู้นูน้นเป็นอุชาบวชให้ผู้นูน้นผู้นูน้นตั้งแต่ช่วงที่สี่ไปความเข้มข้นลดน้อยลงความรับผิดชอบความมีอัธยาศัยน้อมนําในการประพฤติปฏิบัติถือเคร่งครัดลดน้อยลงแล้วตั้งแต่พระพุทธเจ้าบวชให้เราจะมาถึงเราบวชเนี่ยอุปชา姹กี่ทอดละฮะ ก็ลองคิดดูสมมติ ว, ว่าอุปช้า อ, องค์หนึ่ง อ, อยู่ได้ประมาณห้าสิบปีอ่ะพออายุร้อยก็จริงแต่กว่าจะได้เป็นอุปช้าต้องบวชยี่สปีบวชยีสปีอายุสีิบแล้วนะใช่ไหมพระอุปช้าอายุยี่สิบพรรษาจึงจะเป็นอุปช้าบวชให้ได้ดังนั้นท่านได้เป็นพระอุปช้าตอนท่านอายุสี่สิบถ้าท่านบวชให้เราใช้ระยะเวลาอุปช้าอยู่ห้าสิกว่าอายุเก้าสิบ นั้นสองพันห้าร้อยเนี่ยกี่ช่วงอุปชาแล้วนะร้อยปีสองคนพันปีพันปีสองร้อยคนสองพันห้าร้อยปีสี่ร้อยห้าสิบอุปชาแล้วครับมาถึงเราเนี่ยครับถ้าถ้าอุปชาอยู่ถึงเก้าสิบนะถ้าอุปชาไม่สึกก่อนนะ <c oughs> ดังนั้นที่เราบวชเนี่ยต่อจากพระพุทธเจ้ามาอย่างน้อยข้ะท้อที่ห้าร้อยแล้วล่ะครับนะท่อที่ห้าร้อยความเข้มข้นในสีขาบทบัญญัติมีอยู่แค่ไหนฮะพันละยี่สิบท่านเห็นเป็นอย่ังนับนเ 2. 2> อา <12 20. S 2> ละดูต่อไปจบแล้วสี่ขาบท ดังนั้นตั้งแต่สิกขาบทไอ้ตั้งแต่พรรษาที่สิบสองเป็นต้นม า, มนมาก็จึงเริ่มมีที่สูบผู้ทําผิดเล็กๆน้อยๆจนเป็นที่คอรหาในระหว่างสงเองด้วยกันตําหนิได้ในระหว่างชาวบ้านเขาก็ตําหนิได้ดังนั้นผู้ที่เจ้าก็จะมาบัญญัติห้าบอกว่าอย่าทําอย่างนั้นก็เลยมีสิกขาบทเพิ่มมาเรื่อยมาเรื่อยมาเรื่อยจนปัจจุบันนี้สิกขาบทมีเท่าไหร่ฮะสองอยยี่สเจ็ดสองรอยี่สิบครับ สิขาบทสอง้อยี่สิบบอกวิธีการับอธิกรณ์เพิ่มอีกเจ็ดเป็นไม่ใช่สิขาบทสิขาบทจริงๆสองร้อยยสบสิบเจ็ดข้อหลังเนี่ยนะครับสามารถวินิจฉัยสิกขาบททั้งสองรอยี่สิบได้ทุกสิขาบทครับเฉพาะเจ็ดข้อหลังนยจึงไม่นับว่าสิขาบทครับถ้าสิขาบทก่อนหน้านี้สิขาบทไหนก็คือสิขาบทนั้นเจ้าสิขาบทนี้ไปส่งข้อสิขาบทอื่นไม่ได้ แต่เจ็ดข้อหลังนะครับสงข้อสิขาบทได้ครบทั้ง220ครับอันหลังนี้จึงไม่ถูกเรียกว่าสีขาบทครับเรียกว่าวิธีระ ง, งับเหตุเท่านั้นนะครับเหตุเกิดขึ้นไม่ว่าเหตุใดเหตุนหนึ่งที่เกิดขึ้นให้ให้ละเมิดสีขาบทได้สีขาบทหนึ่งใน220เนี่ยใช้เจ็ดวิธีเนี่เข้าไปจัดการระ ง, งับได้แต่เราก็บอกว่า227สีขาบทไม่ใช่ ต้อง220สิขาบทและอธิกรณสมถะอีก7ครับ<ม>ในวิในาปาติโมกอวาอะไรนะนว่า ก, กวัตเขาก็บอกอย่างเนี้ยไม่เห็นมีบอกที่ไหนว่า227สิขาบทสักทีแต่เรามาว่าเป็นภาษาคำํำคู่ อ, อีกครับนั่ น, น, นแหละครับเขาก็ว่ า, างั้นนะครับก็ม่มีบอกว่า227สิขาบทสักทีที่ผมทราบมาผมก็ไม่ชัดเจนว่าตัวกุศลสูงประสัมพานเนี่ย มีท่านผูรู้ท่านหนึ่งบอกว่าอย่างนี้ผิดอะไรววกกุศลสูงวากกุศลสูประสัมกุศลสอะไรกุศลาว่าน่าจะคจะเป็นกุศลสอุปสมทาเจะอ๋อผมก็ว่าอย่างนั้นนะเมื่อกี้กุศลสัอุปสมทาผมไม่เคยว่ากุศลสูประสัมทาบาลีก็เป็นกุศลสัอุปสมทาไม่เป็นกุศลสูประสัมทาแต่ว่าดูทั่วไป อ๋อฉบับไทยเขาเป็นอย่างนั้นครับกุศลศัอุปสัมบทาเขาเข้าสนที่เป็นกุสลสูบอุปสมบทาถ้ากุศลสูบอุปสมบทาล้ตัวธนณะฉันไม่ตรงครับเป็นกุศลศัอุปสัมบทาอะละพอล้วสองข้อต่อไปดูข้อที่สามอมาตตาตะยะถายถาหังพระวตาธรรมังเทศตังอาชานามิอมาะตาต์เป็นอารัณะ ปฐมวิพัฒน์ลงในอัตตาลปณะอัมมะฆ่าแต่แม่ตาตะฆ่าแต่พ่อคุณแม่คุณพ่อยะถายะถาหังยะถาหังเป็นสนธิตัดมาเป็นยะถาบวกอะหังยะถาสับหนึ่งอะหังสับหนึ่งยะถายะถาแปลว่าอย่างไรอย่างไรหรือแปลว่าตามตามที่นั่นเองตามที่ยะถายะถา อาหางพระควตาทำบางเทศิตังอาชานามิอาหางกับอาชานามิคู่กันอาหารคู่กับมิอาหางข้าพเจ้าอาชานามิย่อมรู้ทั่วถึงย่อมรู้ทั่วถึงทมบงซึ่งพระธรรมพระควตาอันพระผู้มีพระภาคเทศิตังเทศิตังทรงแสดงแล้ว ข้าพเจ้ารู้ทั่วถึงพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วดังนั้นคําว่ายถายถานี่แปลว่าตามนั่นเองตามข้าพเจ้าย่อมรู้ทั่วถึงธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้แล้วหรือบอกว่าข้าพเจ้ารู้ทั่วถึงธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้แล้วอย่างไรอย่างไรแสดงอย่างไรก็รู้อย่างนั้น ผู้เจ้าแสดงแบบไหนรู้แบบนั้นอะไรครับทําไมครับผู้เจ้าแสดงเท่าไหร่รู้เท่านั้นครับรู้ทั่วรู้ครบครับก็คือไม่ได้หมายถึงว่ารู้ทุกคําที่ผู้เจ้าแสดงนะครับก็คือผู้เจ้าแสดงสุดท้ายก็คือมรรคนิพพานใช่ไหมครับ พู้เจ้าแสดงทำให้ใครฟังก็ตามหน้าที่สุดคือได้นิพานนั้นัน้นบุคคลนี้ฟังทำผพุเจ้าแล้วก็บรรลุพระหัตาผลครับก็เลยได้เรียกว่ารู้ทั่วถึงธรรมที่พู้เจ้าแสดงแล้วสำหรับอัธยาสายตนนั่นแหละครับต่อไปข้อสี่สุนาตุมเมพันเตสังโคพันเตครับเป็นนิบาทบอกอาลปณะนิบาศบอกอาลภณะก็ได้ เป็นนามอารปนะก็ได้เพราะมีอยู่สองถ้าเป็นนามก็มาจากพระทันตศัพท์ถ้าเป็นพันเตนิบาศก็เป็นพันเตอย่างนั้นเลยลงศีในอารปนะจะมีรูปว่าพันเตลงโยในอารพนะก็มีรูปว่าพันเตครับถ้าเป็นนามมีทั้งเอกพจน์และพระหูพจน์ส่วนเป็นนิบาศนะนั้นไม่พูดถึงวัชณะอยู่แล้วครับเป็นวัชณะไหนก็ได้เป็นพจน์ไหนก็ได้สุนาตุแปลว่าจงฟังขอจงฟังโปรดจงฟังหรือว่าโปรดฟัง เมของข้าพเจ้าครับฟังอะไรของข้าพเจ้าก็ใส่วัจนังเพิ่มขึ้นมาวัาจนังซึ่งคําวจนังซึ่งคําเมของข้าพเจ้าบางอาจารย์ก็บอกเมตัวนี้เนี่ยแปลฉัตถีกรรมไปเลยว่าซึ่งข้าพเจ้าก็ได้เหมือนกันสุนารุจงฟังเมซึ่งข้าพเจ้าใครฟังสังโคสังโคพระสงฆ์พระสงฆ์โปรดฟัง ข้าพเจ้าพันเตเป็นอารพนะแปลก่อนว่าพันเตข้าแต่ท่านผู้เจริญหรือว่าข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญสังโค ข, ขอพระสงฆ์สุนาตุจงฟังเมซึ่งข้าพเจ้าหรือเมว่าจะนังซึ่งคําของข้าพเจ้าเป็นสัตทีกรมกรมะได้หรือเป็นสัตทีไม่เป็นกรรมะต้องเพิ่มว่าจะนังเข้ามา คำนี้เป็นคำที่พระท่านสวดกรรมวาจาทุกครั้งจะสวดกรรมวาจาใดๆก็ตามต้องขึ้นต้นด้วยสุนาตุเมพันเตสังโคนี่แหละไม่ขึ้นไม่ได้ไม่ขึ้นไม่ถือว่าเป็นกรรมวาจาสวดในอุโบสถเท่านั้นสวดในเขตสีมาเท่านั้นนอกเขตสีมาสวดไม่ได้สวดได้ก็สวดได้เป็นพิธีกรรมเฉยๆอย่างเช่นไปสวดปพาชนิยกรรม อนุญาตให้เฉพาะกิจส่วนนอกสีมาได้ไปสวดที่บ้านก็ได้สวดตามทางแยกก็ได้แต่ถ้าโดยทั่วไปกรรมวาจาต้องสวดในเขตสีมาสีมานั้นจะสีมาถาวรหรือสมมุติสีมาก็ได้ <c oughs> คำสวดกรรมวาจา <c oughs> เวลาพระไทยสวด <c oughs> สุนาตุเมพันเตสังโฆสวดทีละสองรูปใช่ไหม เพื sea, ่อไม่ให้อัการาวิบัติให้อาการาออกครบเพื่อรูปใดรูปหนึ่งออกไม่ชัดรูปหนึ่งก็จะออกชัดสรุปแล้วทั้งสองรูปไม่ชัดเลยครับสวนไม่ถูกอย่างสุนาตุเมพันเตสังโคเนี่ยมันมีทีมีธาิตะอักษรและสิทิละอักษรอยู่เขาจะสวดอย่างนี้ไทยสุนาตุเมพันเตสังโคถัอย่าง คำว่าจะอุปสมบทก็ว่าไปตามนั้นไม่เป็นพันเตสังโฆไม่เป็นเลยพันเตสังโฆเป็นศิติละหมดไม่มีทันยิตะคมวาจาไม่ครบอะไรนะกรคำวาจาก็แปลว่าคําพูดที่แสดงการกระทําของสงฆ์สงฆ์จะทําอะไรอะไรต้องแสดงออกมาด้วยคําพูดคําสวดเท่านั้น ไปนั่งแล้วก็ทำทำาำกันเลยไม่ได้ต้องสวดสวดคำสวดคำสวดเพื่อทำสังฆกรรมคำสวดในเวลาทำสังฆกรรมบอกองีา้ภาษาไทยอะคำสวดในเวลาทำสังฆกรรมสังฆกรรมก็มีลงปาติโมกเคยไมเคยไปจำศีลที่วัดแล้วเห็นพระท่านสวดพิภู ป, ปาติโมกในวันอุโบสถั้ย หรือไม่ก็ไปร่วมงานบวชเคยเห็นไหมสวดกรรมวาจาพระสองรูปถ้าจะสวดแล้วก็ยืนไปไล่หน้าไปยืนอยู่นอกแล้วก่อนแล้วก็ไปสวดถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่าแล้ว เ, เคยเรียกเข้ามาสวดใหม่หรือไม่ก็สวดกรรมวาจาหลายๆอย่างมีเยอะกรรมวาจามีเป็นยี่สบสามสิบประเภทกรรมวาจา<ต>ดังนั้ น, คนใครจะเป็นพระมาต้องผ่านกรรมวาจามาหมดเนี่ย แปลว่าข้าแต่พระสงฆ์ผู้จเจริญขอพระสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าภาษาไทยท่านเรียกคำนี้ว่าคำพเดียงสงประกาศให้สงได้รับทราบก่อนว่าบัดนี้จะเริ่มทำสังฆกรรมแล้วขอสงฆ์จงตั้งใจฟังต้องฟังเท่านั้นถ้าใครไปนั่งหลับในฮาทบาตถือว่าต้องอาบัตนะครับ มีบางทีไปนั่งฟังปาิโมกกว่าจะจบชั่วโมงหนึ่งอนเนี้ยนั่งหลับมีคนปรารถนาดีเป็นสกิจโกดอีกนะ <c oughs> ออกําลังหลับหลับอยู่มาสกิรให้ตื่นนี่เป็นบาปฮะเพราะว่าอยู่ในฮาาบาตร่วมสังกม ร, รม่ะทุกคนจะต้องจะต้อง <c oughs> จะต้อ ง, องไม่ใช่เคารพครับจะต้องรับทราบครับว่าทำอะไรพอจบแต่ละตอนแต่ละจะถามนะครับ จะถามทุกครั้งบอกว่าใครเห็นด้วยจงเป็นผู้นิ่งใครไม่เห็นด้วยจงทัดท้วงครับไอ้หลับอยู่นั่นน่ะมันไม่มีไม่อยู่ในประเด็น2องอย่าง <c oughs> ไม่รู้เรื่องเ ล, เลยตื่นก็ไม่รู้เรื่องหลับซะเลยใช่ไหม <c oughs> ตัวลงการวางวางวางตัวคำแต่ละคำนี่มันอันนี้เป็นอันนี้เป็นวหารครับ เป็นวหารคําสวดคาวาจาอย่างนี้เลยไม่เปลี่ยนไปจากนี้ครับข้อสี่เนี่ยสุนาตุเมพันเตสังโคอย่างนี้เลยครับจะเอาสังโคเมพันเตสุนาตุเนี่ยมันไม่เพาะครับดูต่อไปนะข้อห้าพันเตอิมัสสมิงศาสเนกติทุงรานิพันเตเป็นอาลปณะ แปลว่าข้าแต่ท่านผูดจัเกินอิมัตส밍แปลว่านี้ศาสนแปลว่าในพระศาสนาอิมัตสงศาสนในพระศาสนานี้กติเป็นคําขยายของทุงกรานิทุกรานิแปลว่าทุระทั้งหลายกติมีเท่าไรทุระทั้งหลายมีเท่าไรในพระศาสนานี้ ท่านผู้เจริญในพระศาสนานี้มีธุระอยู่เท่าไหร่มีเท่าไหร่สองอะไรสองันถ้าธุระวิปัสนาธุระก็คือปริยัติกับปฏิบัติใครถามเนี่ยพระบนตักรตั้งเยอะแยะเลยครับถามคำถามเนี่ยครับ ใครก็ตามครับเมื่อบวชมาแล้วเนี่ยก็จะเป็นผู้ใหม่ในสงฆ์เมื่อเป็นผู้ใหม่ในสงฆ์เนี่ยก็ทำอะไรไม่ถูกทำอะไรไม่ถูกก็จะถามที่สุเอ่นว่าในศาสนาเราเนี่ยมีหน้าที่จะต้องปฏิบัติอยู่กี่อย่างอันนี้เป็นสำนวนอย่างนี้เลยนะครับทุระในพระศาสนามีกี่อย่างเนี่ย น, นะครับพอได้รับคำตอบว่าคือคันธทุระคันธทุระก็คือทรงจาทรงจาว่าในพระไตรปิฎกมีเท่าไหร่ มีนิกายเท่าไหร่มีองค์แห่งคําสอนเท่าไหร่ครับต้องจําถ้าคนที่คํานวณประเมินตัวเองได้แล้วว่าอาละละเรายังหนุ่มยังน้อยเราจะทําคันธทุระให้เต็มที่ก็ไปสมัครเรียนกับสํานักอาจารย์ผู้สอนคันธทุระส่วนผู้ที่พิจารณาเห็นว่าเราเนี่ยหัวไม่ดีบ้างอายุมากบ้างไม่จําบ้างก็จะไปสมัครเป็นสิทธิ์ของอาจารย์ผู้สอนวิปัสนาทุระ กติศัท์ไม่เป็นนักปูงสุขลิงกติศัท์เป็นสมลิงกติศัพท์รูปเดียวกันทั้งสามลิงถ้าอยู่ในไวยากรณ์ท่านจะสงเคราะห์ว่าเป็นอลิงเป็นอลิงเหมือนทวิสัอ์อะทวิตั้งแต่สองถึงสิบแะเหมือนกันทั้งสลิงเหมือนกันกติศัพท์ก็เหมือนกันเป็นผหูพอดเท่านั้นเอกพจน์ไม่มี เอกพจ์ปัทมากติทุติยากติต า, าติยกติหิกติพิเจริีกตินังปันจะมีกติหิกติพิฉัดธีกตินังและสัตมีกติสุกติตัวนี้เป็นโยตามธุรานี้ธุรานี้เป็นโยกติก็เป็นโยรูปทีฆะไม่มีมีแต่รูปรสสะเท่านั้นแล้วก็ประกอบวิพัฒ์ลงไปเลยส่วนโยนะั้นลบทิ้งส่วนนิพัตอื่นยังคงอยู่ แปลว่าเท่าไหร่เราก็ถามได้เช่นเราจะถามเวลาไปซื้อของแม่ค้าเราจะถามว่าราคาเท่าไร่แล้วก็ถามคําว่ากติมูลังกติมูลานิอะไรเงรี้ยกติมูลานิราคาเท่าไหรแม่ค้าถ้าเรียกแม่ค้าเป็นอาลับปนณะ ก, วก็วิกิเยวิกิเยแม่ค้าจ้ะกติมูลานิราคาเท่าไหร่ แม่ค้าคงจะถามว่าแม่ค้าพอจะรู้หน่อยก็ถามแน่มาจากประเทศไหน <c oughs> คุณมาจากประเทศไหนก็บอกเขาว่านู่นมาจากอดีต <c oughs> <c oughs> อะไรครับออกเอสิครับอรารัปนะ วิกกิยาครับครับกไก่นี่นะครับครับวิกกิยาก็กันยาอันเดียวกันน่ะกันเยใช่ไหมอารัปณะอันนี้ก็เป็นวิกกิเยนะครับอารัปณะถ้าคนเดียวถ้าสองคนขึ้นไปก็วิกกิยาได้วิกกิยาโยหรือวิกกยิกาอย่างนี้ก็ได้มีหลายคานะครับแม่ค้าตลาดก็อารปณะครับ เอาดูต่อไปข้อหพรามณะปุตตสเตงโรโคอุปันโนพรามณะเป็นอาราธนาดูก่อนพรามณ์ข้าแต่พราหมณ์หรือว่าท่านพรามเป็นคําอาราธนาเรียกท่านพรามปุตตะเตงโรโคอุปันโนโรโคโรคโโร ค, ความเจ็บไข้ความเจ็บป่วยหรืออาการป่วยอุปันโนเกิดขึ้นแล้วเตปุตตส ปุทธะแกบุตรเตของท่านอาการเจ็บป่วยเกิดขึ้นแล้วแกบุตรของท่านพูดง่ายว่อาอ้าวลูกชายท่านป่วยถามง่ายๆลูกชายท่านป่วยแล้วพรามะณะท่านพรามลูกชายของท่านป่วยไม่รู้หรือพรามไหนเนี่ยพรามเกียรติพนหรือ มีลูกไหมลูกชายนะฮะเคยป่วยไหมยังไม่เห็นป่วยโอ้อะไรจะดีปันานั้นไม่ป่วยไม่ไข้เลยเนะี่ยเป็นราบคำพูดนี้เป็นคำพูดของชาวบ้านบอกครามผู้หนึ่งเป็นปริภาชกมีลูกชายอยู่คนหนึ่งชื่อว่านายตุ้มเกลี้ยง ในมัทธกุนเลีในตุ้มเกลียงเคยฟังไหมมัทธกุนเดลีใครยังไม่เคยฟั ง, าางใครจะฟังยกมือโอ้ไม่เยอะจังไปอยู่ไหนมาไม่เคยได้ฟังเลยเหรอเนี่ยหนตุ้มเกลียงปริพาชกผู้หนึ่งเป็นพราหมอยู่ในวันณะพราหม์มีลูกชายหัวแก้วหัวแหวนอยู่คนเดียว แล้วปริภาชกผู้นี้นะไม่ใช่ธรรมดาในะฐานนะทางครอบครัวนะมีทรัพย์อยู่ถึงสี่สิบโกดธนีนะไม่ใช่ธรรมดาสี่สบโกดทุกวันนี้ก็สี่สี่พันล้านสี่ร้อยล้านไม่ใช่สี่พันล้านสี่ร้อยล้านสี่สิบโกรธเอาสี่พันล้านสิถ้าหนึ่งโกดเนี่ยสิบล้านสี่สิบโกดก็สี่อ่าสี่ร้อยล้านนะสี่ร้อยล้านมีเงินสี่ร้อยล้าน มีลูกชายคนหนึ่งเศรษฐีกับครอบครัวเนี่ยนะความสำคัญอยู่ที่หัวหน้าครอบครัวคือท่านเศรษฐีผู้นี้แหละเป็นพราหมณ์ผู้นี้ขี้เหนียวขี้เหนียวท่านไม่รู้ว่าจะพัรณนาความขี้เหนียวของปริพาชกพราหมณ์ผู้นี้ไว้ด้วยอาการอย่างไรก็เลยเล่าประวัติส่วนที่ให้เห็นว่าขี้เหนียวในให้ฟังเป็นต้นว่ามีลูกชายคนหนึ่งกาลังเป็นหนุ่มน้อย ไปเที่ยวกับเพื่อนเพื่อนเล่นกับเพื่อนข้างบ้านเพื่อนก็ชอบร้อเรียนพ่อไปเที่ยวกับเพื่อนลูกพ่อเป็นเศรษฐีในหมู่บ้านบ้านอื่นธรรมดาธรรมดาเขายังมีเสื้อผ้าใหม่ใใส่สวมใส่ไปวิ่งเล่นแต่ลูกเศรษฐีมีแต่เสื้อผ้าขาดขาดวิ่นวิ่นลูกของคนอื่นเขายังมีเครื่องประดับประดาบ้างมีสร้อยมีแหวนมีกําไลบ้างแต่ลูกเศรษฐีไม่เคยสวมเครื่องประดับอะไรเลย พอถูกเพื่อนเพื่อนล้อเลียนหนักขึ้นหนักขึ้นว่าไม่มีเครื่องประดับพ่อเป็นถึงเศรษฐีทำไมไม่มีอะไรเลยอายเพื่อนกลับมาเล่าให้พ่อฟังอยู่เป็นประจำประจำประจาพ่อก็อใหม่ใหม่ก็ฟังแล้วก็ไม่ว่าอะไรเพราะความขี้เหนียวไม่สะทกสะทานนานเข้านานเข้าลูกกลับมาฟ้องอยู่บ่อยๆก็เลยเออลูกเราเนี่ยคงจะแย่จริงๆแล้ว ไปเที่ยวไปเล่นอะไรกับเพื่อนก็ถูกเพื่อนล้อเล่นอยู่ตลอดก็เลยเอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวพ่อจะจะให้ช่างมาทําเครื่องประดับให้หนึ่งอันนําทองคําไปหนึ่งก้อนไปตะเวนหาช่างที่ฝีมือที่สุดในเมืองไปหาช่างนี้เขาก็บอกว่าท่านจะทําเครื่องประดับอะไรบอกว่าจะทําเครื่องประดับหูให้ลูกชายงั้นคิดค่าช่างหนึ่งพันกหาปะนะตีทองคําให้เป็นเครื่องประดับอย่างสวยที่คิดไว้น่ะนะ เขาคิดค่าฝีมือหนึ่งพันกหาพะนะัต่อรองลดเหลือห้าร้อยกหาพนะักไม่ทำไปถามช่างใหม่ถามช่างไหนๆก็ค่าทำพันกหาพนะักเหมือนกันหมดเลยโอ้ทำไมแพงขนาดนั้นกลับมาทำเองได้คอนมากระทั่งทุบอย่านทุบเสร็จแล้วได้เครื่องประดับหูมาอันหนึ่งเครื่องประดับหูของมัทคุณลีอยากจะรู้ว่าเป็นยังไงนะ เหมือนกันกับเม็ดลำไยเลยเคยเห็นเม็ดลำไยไหมไม่เม็ดในมานะไม่ใช่เมด็ดดำๆข้างนอกนะเนี่ยหน้าเนี้ยเริ่มมีลำไยแล้วกินลำไยแกะดูหน่อยเถอะแกะเปลือกดำๆมันออกแล้วมันจะมีใบเลี้ยงอยู่เป็นสองใบลำไยเป็นพืชใบเลี้ยงคู่มันจะมีสองใบมันมว้มวนๆกันอยู่ เนะม็ดลำไยเป็นอย่างเงี้ยนะเห็นไมวินเราแกะเปลือกดำออกมาเนี่ยนะเราก็จะเห็นว่ามันเป็นเนี้ยเห็นไหมนะเป็ น, น, นะป น, นนะปอย่างงี้เลยแล้วก็แกะอันนี้ออกซะแกะเม็ด น, นี้ออกเอาเแมบบ็ดใบใบหนึ่งออกมันก็จะเหลือใบรอบนอกแล้วก็ใช้อั น, นเนี้ยเหน็บหูปั๊บเข้าไปอยู่พอดีเลยเป็นเครื่องประดับหู <laughs> ไม่ต้องเจาะเนี่ยนีเขาไปอยู่เลยเนี่ยไม่ต้องเจาะหูสมัยตามาเป็นเด็กชอบทําเล่นกับพวกเด็กๆครับ ก, กินลําไยเสร็จแล้วก็มาแกะเอาเน็บประดับกันอุตลุด <c oughs> ลองแกะดูไม่ต้องซื้อเสียตังหรอกถ้าคิดเหนียว เ, เหมือนเศรษฐีผู้นี้น ะ, <c oughs> ะนั่นแหละไม่โอ้ยไปซื้อลําไยมากินหน่อยไม่ต้องขอหรอกเราค่อยแกะดู <c oughs> แกะแล้วก็แกะเม็ดออกหนึ่งซี่แล้วก็เน็บดูมันก็สีขาวนะ สีขาวสวยลองใส่มาเถอะคนเห็นนี่สังเกตไม่ได้เลยโอ้นี่เครื่องประดับเธอซื้อมาจากไหนเนี่ยไรสวยป่านนี้ไม่เคยเห็นเลยยี่ห้ออะไรทองคำขาวเหมือนกันนั่นแหละมัดถักกุฏีแบบนี้เลยค้อนทุบไปทุบมาทุบมาทุบไปให้มันเป็นก้อนแล้วก็แสะให้เป็นร่องอะ่ะ แล้วก็เนบหูไม่มีลายเลยแม้แต่นิดเดียวเกลี้ยงกลมๆเหมือนเม็ดลํำไยที่ว่าเนี่ยดังนั้นจึงชื่อว่ามัทธามัถะานี่แปลว่าเกลี้ยงไม่มีลวดลายกุนดลีนี่แปลว่าเครื่องประดับหูนะเครื่องเครื่องประดับหูอืกุนดละเนี่ยถ้าแปลจริงๆแล้วกุนดละสามนี่แปลว่าจอนจอนผมอะคนสมัยก่อนเขาเวลาเขาทําจอนผมเขาจะทํำมวนๆเนเครื่องประดับเนี่ยนั่นแหละกุนดละ ดันั้นมัทะกุณตลีจึงแปลว่าผู้มีเครื่องประดับหูเกลี้ยงเกลยงตมาก็เลยเรียกว่าเจ้าตุ้มเกลี้ยงตุ้มหูเกลี้ยงนะมัทธคุณตลีเจ้าตุ้มเกลี้ยง มัทะ ก, กุณตลีเจ้าตุ้มเกลี้ยงตุ้มหูเกลี้ยงเกลี้ยงไม่มีลายอะไรเลยมนมนเกลี้ยงเ้งเฉยเพระทุกเอาเองอยู่มาอยู่มาลูกชายโตเป็นหนุ่มน้อยอายุ 18-19 เริ่มเจ็บป่วยออดแอดๆลูกตัวเหลืองผอมลงผอมลงพราหมณ์พวกนี้ก็ไม่รู้ว่าลูกชายเป็นอะไร ดูลูกเหงาเศร้าซร้อยไม่กระชับกระเชงเหนื่อยนายเบื่อหนายจนชาวบ้านเขามาบอกว่านี่ท่านพราม์ลูกท่านป่วยนะไม่รู้หรือเนี่ยนี่แหละคํานี้แหละคาในบทบาลีที่เอามาแปลกันเนี่ยพรามะนะดูก่อนพรามโรคเกิดขึ้นแล้วแก่บุตรของท่านนี่ท่านพราหมณ์ลูกชายของท่านป่วยแล้วรีบไปหาหมอมารักษาซะสิ ตามก็เอ๊ะไปจับไปคลาไปเอาหมอมาตรวจไปตามหมอมาตรวจพอหมอมาตรวจหมอจะเขียนใบสั่งยาให้ถามว่าราคาเท่าไหร่หมอบอกว่าห้าสิบกระหางปะนะงั้นขอถามหน่อยเธอว่ายาที่หมอจะเอามารักษาเนี่ยหาได้จากที่ไหนเขาก็บอกว่าโอ้ยานี้ต้องนู่นต้องขึ้นภูเขาไป ไปหาเอาบนภูเขามียาสมุนไพรพราหม์คนนี้ก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นท่านหมอกลับไปเถิดข้าพเจ้าจะไปหายาไม่จ่ายเงินให้หมอกลับบ้านจะไปหายามารักษาเองจับแบกเสียมได้แล้วก็ปีนเขาขึ้นไปไปหายาไม่รู้ได้ต้นอะไรมาก็ไม่รู้เพราะไม่รู้จักยานี่ไม่ใช่หมออนะดูขุดดูรากนู้นมาขุดดูรากนี้เอ้มันคล้ายกันเอามา เอามาทุบให้ดื่มละลายน้ําให้ดื่มบ้างต้มดื่มบ้างต้มอาบบ้างมันก็ไม่หายอาการโรค ก, ก็ไม่ดีขึ้นไปหาหมอใหม่ไปหาหมอใหม่ถามเขาว่าอาการอย่างนี้ยเป็นโรคอะไรหมอก็บอกโรคนี้โรคนี้หายาได้จากที่ไหนหมอก็บอกนูน้นไปภูเขานูน้นไปหุดมาอีกรูป ก, ก็ผอมลงผอมลงผอมลงรักษาเองไม่จ่ายเงินเลยสักบาทเดียวลูกป่วยนะ วันหนึ่งสังเกตดูลูก oh. ลูกสงสัจะไม่ไหวซะแล้วทำยังไงดีตอนนี้เดินก็เดินไม่ไหวลุกก็ลุกไม่ขึ้นข้าวไม่กินอาการป่วยก็หนักลงหนักลงจึงอุ้มเอาลูกชายที่ป่วยเนี่ยลุกไม่ไหวเดินไม่ไหวแล้วเนี่ยไปนอนอยู่ที่ชานหน้าบ้านไม่ให้อยู่ในบ้านเพราะคิดว่า ถ้าญาติญาติเขารู้ว่าลูกชายเราป่วยหนักเขาจะมาเยี่ยมเขาจะมาเห็นทรัพย์สินเดี๋ยวคนนั้นจะขอเอาอันนี้คนนี้จะขอเอาโน ون, ้นเดยอุ้มลูกชายไปนอนไว้ที่ชานหน้าบ้านเวลาคนมาเยี่ยมก็ออกไปนั่งอยู่ชานไม่ต้องเข้ามาในบ้านขี้เหนียววันสุดท้ายมัถธกุตเตอีคงจะไม่รอดแน่แล้ววันนั้นพระพุทธองค์ยามก่อนรุ่งอรุณ แห่ขายพยานตรวจดูเวไนยสัตว์ว่าสมควรจะไปโปรดไคพระพุทธเจ้าก็เห็นมัทธกุณดลีในปรากฏในขายพระยานแล้วก็พิจารณาดูอัธยาศัยว่าจะบรรลุมรรคผลอะไรบ้างไหมก็ไม่เห็นมรรคผลอะไรเลยแต่ก็ไปไปเพียงยังจิตให้เลื่อมใสเท่านั้นเพื่อป้องกันอบายพระพุทธเจ้าผมจีวอน ทรงบาทแล้วก็เดินผ่านหน้าบ้านเศรษฐีมัดถกุณฑลีนอนประง่าประง่าหายใจและรัวแ ล, ล, ล, ล้วจะสิ้นใจอยู่แล้วหันหน้าออกนอกบ้านเห็นแสงวับวับวบวับผ่านไปก็เลยสนใจมองว่านี่แสงอะไรคงเป็นนิมิตเทวดาอาลาชลสมาลับแล้วก็มังอะไรอย่างงั้นนะ <c oughs> เหลือไปเห็นพระพุทธเจ้าเดินบินทบาต จิตณนะเวลานั้นคิดขึ้นมาแวบเดียวว่าตั้งแต่เกิดมาเราไม่เคยมีที่พึ่งอะไรเลยแม้แต่พ่อก็เป็นที่พึ่งให้เราไม่ได้พ่อเป็นคนมิจฉาทิฏฐิไม่เลื่อมใสในพระรัตนตรยัยทานก็ไม่เคยให้ศีลก็ไม่เคยรักษาธรรมก็ไม่เคยฟังพ่อเราเป็นที่พึ่งให้เราไม่ได้เอาละบัด น, นี้เราเห็นพระพุทธเจ้าเราจะนับถือพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งของเราก็แล้วกัน แล้วในใจก็ตั้งจิตอธิษฐานไปว่าพุทธังสรารนังขะฉามิพระพุทเจ้าก็เดินรับสายตาใจขาดในขณะนั้นเลยสิ้นใจตายนอนอยู่ตายอยู่หน้าฌานนั่นแหละพอตายก็ไปอุบัตปุ๊บขึ้นที่สวรรค์ชื่อว่ามัทธกุณดลีเทพพระบุตรอ๋อเลยนะแสดงว่าฟังหลายครั้งแล้วนะอ๋อเนี่ย <c oughs> ออคนนี้เองนะไปเกิดเป็นมัทธะกุนดาลีเทพผบุตรพอไปเกิดเป็นเทพผบุตรเอ้าอ้าวหันไปหันมาเอ๊ะทำไมผิวพันลพุทธผ่องอย่างนี้เมื่อกี้เรานอนอยู่หน้าบ้านไม่เป็นอย่างนี้นี่ทําไมตอนนี้เป็นอย่างนี้ก็เห็นเทพเทพบุตรเทพพอดีดาห่อปั๊บไปแว๊บมาอย่างนั้นก็เลยถามว่าข้าพเจ้ามาอยู่ที่ไหนเนี่ยเทพบุตรก็เลยบอกว่าเนี่ยสวรรค์ชั้นนี้ชั้นนี้ชั้นนี้ เท่านั้นแหละก็อออย่างระลึกตัวเองได้ว่าทำไมจึงมาเกิดบนสวรรค์ตรงนี้เราไม่เคยทำบุญอะไรไว้เลยนี่ก็เลยระลึกได้ว่าตนเนี่ยเพียงแต่ส่งจิตไปเลื่อมใสพระเจ้าหน่อยเดียวเท่านั้นเองก็ามาเกิดบนสวรรค์พอเห็นกุศลวิบากเพียงเล็กน้อยเท่านี้ก็เป็นห่วงพ่อขึ้นมาจับใจทันทีว่าพ่อเราไม่เคยทำความดีอะไรเลยแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ไม่เคยเลื่อมใส เป็นห่วงเอาละ่ะเราจะทําอย่างไรดีจะไปทํายังไงให้พ่อได้เลื่อมใสให้พ่อได้ทําความดีบ้างมองลงไปเห็นพ่อไปกอดหลุมศพลองไห้อยู่ที่ป่าชา้าตั้งแต่วันลูกตายรีบเอาศพลูกไปฝังฝังตื่นเช้ามาก็จัดสํำรับกับข้าวไปตั้งไว้ที่หัวหลุมศพแล้วก็กอดหลุมศพร้อ่งให้ลูกของพ่อลูกของพ่ออยู่นั่นแหละเศร้าโศกเสียใจเจ็ดวันแล้ว บุกชายก็เป็นห่วงว่าเอจะทำยังไงดีเอาล่ะคิดได้ว่าบุคคลผู้เกิดมาในภูมิต่างๆนี้ล้วนมีปัญญาที่แตกต่างกันเราเกิดมาในภูมินี้น่าจะพอมีปัญญาอยู่บ้างก็เลยนึกอุบายอย่างหนึ่งขึ้นมาได้แวบบจากสวรรค์ลงไปที่ป่าช้าเลยเช้าวันนั้นพ่อกำลังมากอดหลุมศพลองไห้อยู่ลงไป ไปนั่งกอดเข่าอยู่กลางป่าชา้าร้องไห้โฮร้องได้ให้ดังกว่าพ่อเลยเป็นชายหนุ่มรูปงามไม่ใช่เป็นร่างเทพประบเป็นชายหนุ่มรูปงามเป็นนั่งกอดเขา่าร้องไห้โหโหโฮอยู่ตาพามได้ยินอ้าวเฮ้ยใครมาร้องอยู่ตรงเนี้ยใครลูกตายเพราะที่เรามาร้องเนะี่ยเพราะลูกตายใช่ไหมแสดงว่าคนนี้ลูกต้องตายแน่เลย <laughs> พอร้องได้ยินร้องเสียงดังตัวเองก็สนใจกับสิ่งอื่นแล้ว ก็เลยหยุดร้องเดินไปถามพ่อหนุ่มคนนั้นว่านี่เจ้านุมเจ้ามาร้องไห้อยู่ทำไมนี่ใครตายหรือบอกว่าไม่มีใครตายหรอกลงุงอา้าวเมื่อไม่มีคนตายแล้วจะร้องไห้ไปทำไมเล่าก็หยุดร้องซะสิก็บอกว่าข้าพระเจ้าต้องการของแต่ว่ามันไม่ได้ไม่รู้จะทําไงร้องไห้เนี่ยเพราะอยากจะได้ของ ก็เลยถามว่าเจ้าต้องการอะไรอยากได้อะไรบอกว่าตอนนี้ข้าพเจ้ากําลังทํารถคันหนึ่งสร้างรถใหม่ขึ้นมาหนึ่งคันอยากจะเอาดวงจันทร์มาเป็นล้อหน้าเอาดวงอาทิตย์มาทําเป็นล้อหลังพรามได้ยินเอ๊้เจ้าจะบ้าหรือไงฮจะเอาได้ยังไงเอาดวงอทิตดวงอาทิตย์ดวงจันทร์มาทําล้อรถมันเป็นไปไม่ได้เจ้าในบ้าแล้วร้องให้เอาสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ เข้าทางเลยลูกชายก็บอกย้อนคืนว่าท่านลุงข้าพเจ้าร้องให้เพื่อจะเอาดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เนี่ยมันยังมีอยู่จริงแม้จะไม่ได้ก็ช่างแต่มันมีไหมล่ะมีแต่ลุงร้องให้หาลูกชายล่ะลูกชายก็ไม่มีแล้วไม่มีหวังว่าจะได้ด้วยแล้วร้องทําไมเอาร้องทําไมเท่านั้นแหละได้สติเลยพรามได้สติเออถูกของมัน เรามันกอดมันร้องไห้อยู่ในเจ็ดวันแล้วนี่อยู่คนนี้พูดถูกพอพูดถูกพ่อได้คิดก็กลับร่างไปเป็นมัตถะคุณตุลีคนเก่าที่เจาะอะไรนะเหลืองพร้อมกระย่องกระแย้งพ่อจําได้โอ๊ยนี่ลูกพอ่อนี่ไปไหนไปไหนพ่อมาลองหาเจ้าเจ็ดวันแล้วเจ้าไปอยู่ไหนมาแล้วก็ค่อยก ล, ลายร่างให้เป็นเทพปบุตรหนุ่มรูปงามบอกว่าข้าพเจ้า ไปเกิดบนสวรรค์เฮ้ลูกไปเกิดบนสวรรค์เชียวหรือลูกลูกทํายังไงถึงไปเกิดสวรรค์ได้ก็เลยบอกว่าเลื่อมใสพระพุทธเจ้าแวบเดียวเท่านั้นเองอย่างนั้นหรือแล้วอย่างพ่อเนี่ยจะไปสวรรค์ได้ไหมได้ถ้าเลื่อมใสพระรัตนตรัยก็ไปได้เท่านั้นแหละแต่ความเศร้าโศกยังไม่หายนะกลับไปถึงบ้านก็ยังร้องไห้ร้องห่ม อ, อยู่แต่ว่าตกเย็นมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเล่าความจริง แล้วก็ถามปัญหาพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุคคลผู้เพียงส่งจิตให้เลื่อมใสในพระองค์เท่านั้นแล้วเกิดบนสวรรค์มีไหมพระพุทธเจ้าตรอบตัดตอบท่านพราหมณ์ว่าพราหมณ์เรื่องนี้ท่านรู้ดีอยู่แล้วมิใช่หรือทําไมมาถามเท่านั้นแหละก็เลยนิมนต์พระพุทธเจ้าเลยวันพรุ่งนี้เช้านิมนต์พระพุทธองค์พร้อมทั้งพระสงฆ์สาวกไปฉันทที่บ้านของข้าพเจ้า จะถวายพตะทหารความทุกโศกของพราหมยังไม่หมดสิน้นยังหน้าตาเศร้าเหงาหงอยแม้จะอยากจะถวายอาหารก็เถิดหลังจากที่พระพุทธเจ้าสเสด็จไปสวยพระทหารที่บ้านพราหม์แล้วสังเกต ด, ดูพราหมณ์ยังไม่เบิกบานหน้าตายังไม่แจ่มใสก็เลยแสดงธรรมให้ฟังแสดงฟังธรรมเกี่ยวกับความตายนี่นแหละพราหมยก็ยังไม่หายเศร้า ก็เลยเล่าอดีตชาติสมัยรู้นให้พราหมณ์ฟังอ่ยจบได้แล้วมันะ้งะอดีตชาติมันหลายชาเอางั้นยกมาหนึ่งเรื่องแล้วกันนะอดีตชาติสมัยก่อนนู้นน่ะพระพุทธเจ้าของเราสวยชาติเป็นพระโพธิสัตว์ พระนามไอ้ได้ชื่อพระโพธิสัตว่าธรรมมิกะอุบาสกธรรมมิกะอุบาสกครอบครัวนี้มีคนด้วยกันหคนมีพ่อมีแม่มีลูกชายมีลูกสาวมีสะพ้ายแล้วก็คนใช้หกคนพ่อแม่ลูกสาวลูกชายลูกสะพ้ยแล้วก็คนใช้ อาชีพเป็นชาวนาทำเกษตรกรรมทำไร่ไถนาตามธรรมดาครอบครัวนี้ตั้งแต่เป็นครอบครัวมาเนี่ยสอนลูกสอนหลานสอนทุกคนในครอบครัวว่าให้จเจริญมรณานุสติให้พิจารณาอยู่ทุกลมหายใจว่าชีวิตตังอัุวังมรณงทุวังเคยว่าไหมเวลาไปเผาศพเขาว่า ใส่ดอกไม้จันทร์เข้าไปก็ชีวิตตังอธุวังมรณงทุวังแล้วก็ออกมาหรือว่าอะไรที่ไปไปยื่นยื่นเวลาไปงานศพหรว่าอะไรให้ไปสวรรค์นะทีนี้ว่า ตังอัตวังมะระนังทุวังทสันส้นแค่นี้แหละไม่ต้องไปว่าให้ยาวชีวิตตังอัตถวังมะระนังทุวังชีวิตตังชีวิตอัตถวังเป็นของไม่แน่นอนมะระนังความตายทุวังเป็นของแน่นอน ทุวังตัวนี้แปลว่าเที่ยงแท้แน่นอนแปลว่าชีวิตไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงอย่างนี้ก็ได้ <Okay. S 1> มีชีวิตอยู่เนี่ยไม่รู้จะอยู่ได้นานเท่าไหร่แต่ว่าตายเนี่ยตายแน่ๆไม่ซ้อนก็ไม่เพราะอะทุวังนะไม่เพราะอัฐทุวังว่าง่ายกว่าเป็นสนทิทุวังแปลว่าเที่ยงอัทุวังก็แปลว่าไม่เที่ยง ทุกคนในบ้านแม้แต่คนใช้ในบ้านนะพากันเจริญมรณสติทุกเช้าทุกเย็นทุกเช้าทุกเย็นอยู่มาวันหนึ่งถึงฤ ด, ดูทำนาช่วงประมาณนี้แหละเดือนมิถุนากรกดาเริ่มลงไร่ลงนาพ่อกับลูกชายออกไปทำนาปกติก็จะมีสาวใช้เอาสำรับกับข้าวไปส่งตอนสายสายกินข้าวเช้าก็ประมาณ ประมาณเพนอะไรอย่างเนี้ยคนทําไร่ทานาก็จะประมาณเนี้ยกินข้ า, าวเช้าเป็นข้าวเพนกินข้าวเที่ยงเป็นช่วงเย็นบางทีเย็นก็ไม่กินถ้ากินก็ไปนู่นแหละสองทุ่มสามทุมวันนั้นพ่อกับลูกชายพ่อกําลังไถนาใช้วัวเทียมไถแล้วก็เดินไถนาไปลูกชายก็เดินถากหญ้าตามตามคันนาถากถากถากแล้วก็เกลี่ยหญ้าเป็นกองเสร็จแล้วก็จุดไฟเผาญ้า ที่จอมปลวกใกล้ๆที่ลูกชายกําลังเผาหญ้าอยู่นั้นนะมีงูเห่าอยู่ในในโพรงอยู่ในรูลมก็พัดควันเข้าไปในรูทําให้งูเหา่าก็เลื้อยออกมาแล้วก็ไข่มาเบียดเบียนเราเห็นใครเห็นอะไรก็ฉกท้ง น, นั้นนะ่ะเห็นลูกชายของชาวนาพู้นี้กําลังเกลี่ยเกลี่ยหญ้าเผาอยู่ก็เลยฉกไปที่ขาเวลานั้นพ่อ เลือบมาเห็นเข้าพอดีเลยหันมาเห็นลูกเนะี่ยล้มลงไปเอ๊ะลูกชายเป็นอะไรล้มลงไปก็เลยหยุดไถเอาไว้หยุดบัวไว้เดินมาดู <c oughs> เห็นลูกชายเนะี่ยสิ้นใจตายแล้วพิษรุนแรงมากสิ้นใจตายล้มลงขาดใจตายตอนนั้นเลยแทนที่จะร้องไห้โฮตีอกชกตัวเสียอกเสียใจเศร้าไม่ใช่มาพิจารณาว่า อ, อ๋อชีวิตตังอัตวังมรณงทวัง แล้วเขอุ้มเอาศพลูกชายเนี่ยไป น, นอนไว้ที่ใต้โคนต้นไม้ต้นหนึ่งแล้วก็กลับไปไถนาอย่างเก่าไม่เศร้าโศกไม่สะทกสะท้านอะไรนะไถนาเฉยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นขณะที่ไถนาอยู่ก็เห็นลุงคนหนึ่งนาติดกันเดินสวนทางจะเข้าไปในหมู่บ้านก็เลยถามว่าจะไปไหนบอกจะเข้าไปในหมู่บ้านถ้าอย่างนั้นฝากความถึงคนอยู่ในบ้านหน่อยเถอะว่าวันนี้ให้เอาสํำรับมาสําหรับคนคนเดียวเท่านั้น แล้วขอให้ทุกคนเนี่ยมาพร้อมกันทั้งหมดลุงคนนั้นก็ไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นแหละไปก็เดินผ่านบ้านไปก็ส่งข่าวท่งข่าวเสร็จแล้วแม่บ้านมาคิดว่าเอ๊ะไม่พ่อก็ลูกชายคนใดคนหนึ่งเนี่ยคงจะตายแน่แล้วเพราะเขาบอกแค่เนี้ยยังจับความอะไรไม่ได้ไม่พ่อก็ลูกชายคนใดคนหนึ่งต้องตายพอบอกให้เอาสำรับไปไปคนเดียวสำรับสำรับคนคนเดียวทุกวันเอาไปสองคนในวันนี้ให้เอาไปคนเดียว ก็เลยพากันรีบจัดเตรียมสำรับกับข้าวแล้วก็เดินทางออกไปที่ทุ่งนาไฟก็เห็นพ่อนั่งเฝ้าศพลูกชายอยู่กำลังตัดฟืนตัดอะไรมาโดยธรรมเนียมของคนอิเดียตายแล้วเผาภายใน24ชั่วโมงนะของคนไทยก็เหมือนกันถ้าโบราณนะไม่มีเมนไม่มีสาราพักศพไม่มีอะไรอย่างนี้ศพตายก็ตั้งไว้ที่บ้านแล้วก็ไม่มียาฉีดและถนอมอะไรไม่ได้ ถ้าตายเช้าก็เผาบ่ายเลยแต่ถ้าตายบ่ายก็ข้าหนึ่งคืนออกไปก็ทุกคนไปแม่ไปเห็นก็อ๋อชีวิตตังอธุวังมรณงทุวังพี่สาวไอ้น้องสาวไปก็เหมือนกันเลยลูกสะภ้าภรรยาของผู้ตายไปเห็นก็ว่าคําเดียวกันแม้แต่สาวใช้ไปเห็นก็อ๋อชีวิตตังอุวังมรณงทุวังไม่มีใครทําหน้าแต่ตื่นหรือเศร้าโศกให้ปรากฏเลย เพราะเจริญมรณนสติอยู่เนืองๆเป็นประจำเห็นชัดถ้าบ้านอื่นเป็นอย่างนี้ทุ่งแตกใช่ไหมอย่างเราว่าแนะทุ่งแตกเนี่ยเสียงร้องแข่งกันแต่บ้านนี้เงียบสงบรีบนำฟืนมาทำเชิงตะกรแล้วก็ยกศพลูกขึ้นตั้งแล้วก็จุดไฟเผานั่งล้อมพิจารณาความตายกันอยู่ล้อมๆกองไฟนั่นเอง ด้วยคุณความดีที่ไม่เศร้าโศกของคนทั้งห้าคนเนี่ยทำให้นน่บันลังของเท้าสกกะเทวราชร้อนรุ่มเท้าสกกะเทวราชเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นวันนี้ต้องมีเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นแน่ใช้จักสู่ทิพย์มองลงมาเห็นชาวนากำลังเผาศพลูกกันอยู่แล้วก็เห็น อาการของอัธยาศัยว่าไม่น่าเป็นไปได้เป็นไปได้อย่างไรในมนุษยโลกมีอย่างนี้อยู่หรือรีบลงมาเพื่อจะทดลองจะทดสอบจะทดลองดูว่าทําไมจึงไม่เศร้าโศกลงมาแปลงเป็นพราหมณ์แก่ๆผู้หนึ่งเดินผ่านมาถามว่าพวกท่านกําลังพากันทำอะไรอยู่ก็เลยได้รับความจริงว่ากําลังรุมกันเผาศพันอยู่พราหมณ์ผู้นั้น เดินเข้าไปหาผู้เป็นพ่อถามว่านี่ท่านพรามผู้ตายนี้เป็นใครกันพรามผู้เป็นพ่อก็บอกว่าคนตายเป็นลูกชายของข้าพเจ้าเองเอา้าวเมื่อคนตายเป็นลูกชายของท่านท่านทำไมไม่เศร้าโศกไม่เสียใจละ่ะลูกชายคนนี้ชั่วร้ายหรือลูกชายคนนี้ไม่ฟังคำสอนของท่านหรือหรือลูกชายคนนี้ไม่เป็นที่รักของท่าน พ่อบอกว่าเปล่าเลยท่านพราหมณ์ลูกชายคนนี้เขาเป็นคนดีเชื่อฟังคำสอนของข้าพเจ้าทุกอย่างเขาเป็นทิ่งรักของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าไม่เศร้าโศกนี้เพราะไม่รู้จะเศร้าโศกไปทำไมธรรมดางูเมื่อถอดคราบออกแล้วก็เลื้อยหนีไม่มีอะไรในคราบแล้วฉันใดลูกชายของข้าพเจ้าก็ฉันนั้น ละร่างกายนี้ไปแล้วเขาไม่มีความอะไรใยดีในร่างกายนี้เลยไปสู่ที่ที่เขาควรจะไปแล้วแม้ถูกข้าพเจ้าเผาอยู่เขาก็ไม่เห็นว่าพวกข้าพเจ้ากำลังทุกโศกถึงเขาเลยเพราะเหตุ น, นั้นข้าพเจ้าจึงไม่เศร้าโศกเอาละพ่อไม่เศร้าโศกพ่ะทําใจแข็งได้ถามแม่หน่อยเถอะแม่ว่ายังไงหันไปหาแม่ถามว่า คนตายเป็นอะไรกับเธอแม่ก็บอกว่าเป็นลูกชายดิฉันเองลูกชายตายทั้งคนทาไมไม่เสียใจลูกชายคนนี้ไม่เป็นที่รักของท่านใช่ไหมท่านไม่รักเขาใช่ไหมบอกว่าเปล่าเลยท่านพรามสิ่งในโลกนี้ทั้งหมดคนที่จะเป็นที่รักของข้าพเจ้ายิ่งกว่าลูกชายคนนี้ไม่มีเลยข้าพเจ้ารักเขายิ่งกว่าชีวิตอ้าวแล้วทาไมไม่เศร้าโศกละ่ะ ท่านพราหม์เอยเวลาลูกดิฉันคนนี้เขาจะมาเกิดเนี่ยดิฉันก็ไม่เคยขอร้องให้เขามาเลยครั้นเขาตายจากข้าพเจ้าไปเขาก็ไม่ได้เอ่ยลาเลยแม้แต่คําเดียวและเวลาที่ถูกพวกเราห้อมล้อมเผาอยู่นี้เขาก็ไม่ได้รับรู้หรอกว่าพวกเราเศร้าโศกถึงเขาไหมดังนั้นไม่มีประโยชน์อะไรที่จะเศร้าโศกถึงเขา โอ้ท้าสกัดเทวราชคิดอยู่ในใจว่าเป็นไปได้อย่างไรเป็นไปได้อย่างไรเอาละลองถามน้องสาวดูก่อนถามน้องสาวมาถามถามภรรยาก่อนถามภรรยาภรรยาบอกว่านี่เป็นสามีของดิฉันทาไมเธอไม่เสียใจสามีตายหรือสามีเธอนอกใจเธอหรือ หรือสามีของเธอเนี่ยคู่เข็นอะไรอะไรก็บอกว่าดีทุกอย่างที่ไม่เสียใจเนี่ยเพราะว่าไม่รู้จะเสียใจทําไมก็เล่าอุปมาให้ท้าวสก่าฟังว่านี่ท่านพราหมณ์เด็กร้องให้อยากจะได้ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ที่ตกจากฟากฟ้าเด็กมันมองดวงจันทร์ ม, มองอาทิตย์อยู่พอดวงทีต่ตกไปแม่จะเอาแม้จะเอามันหนีไปแล้วนั่นน่ะ ยังมีหวังเพราะวันพรุ่งนี้ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ก็จะกลับขึ้นมาใหม่ได้แต่สามีของดิฉันเนี่ยเมื่อเขาตายไปแล้วไม่มีหวังเลยว่าจะให้เขาฟื้นคืนชีพมาได้ดังนั้นไม่รู้จะเศร้าโศกเสียใจไปทำไมไม่มีประโยชน์อะไรอ่ะภรรยาก็ไม่เศร้าโศกมีเหตุผลถามน้องสาวดูบ้างอ้าวแล้วเธอหล่ะเป็นอะไรกับคนตายก็บอกว่าเป็นน้องสาวของเขา ทำไมไม่เสียใจ พ, พ ate, right? ate, like ี่ชายตายพี่ชายเธอเนี่ยร <t aps in Commons> ังแกเธอหรือเธอไม่ชอบพี่ชายใช่ไหมก็บอกว่าชอบไม่เคยรังแกเลยดีทุกอย่างแล้วทำไมไม่เสียใจก็บอกว่าท่านพราหมณ์ดิฉันยังเป็นสาวเป็นแท่ครั้นร้องไห้ไปก็จะทำให้หน้าตาซีดเสียวไม่ดูงามและยังทำให้ญาติญาติเป็นห่วงเป็นใยด้วยอีกดังนั้นไม่รู้จะร้องไห้ไปทาไม ก็เป็นเหตุผลเป็นเหตุผลหนึ่งเอาละทุกคนไม่เศร้าโศกถามคนใช้สิว่าทำไมไม่เศร้าโศกถามคนใช้บอกว่านี่หนูคนตายเป็นอะไรกันกับเธอเนี่ยบอกว่าเป็นเจ้านายของดีฉันอา้าวเจ้านายตายทำไมไม่เสียใจล่ะเจ้านายคนนี้เขาชอบข่มขู่เขาชอบตำหนิเธอใช่ไหมชอบ กูเขนหรือว่าชอบใช้งานหนักเธอใช่ไหมเธอไม่ชอบเขาใช่ไหมบอกว่าไม่เคยเลยตั้งแต่ดิฉันมีเจ้านายมาไม่เคยเห็นเจ้านายคนไหนดีเท่าคนนี้เลยเขามีน้ําใจเอื้อเฟื้อเอผื่อแผ่ทุกอย่างไม่เคยดูถูกดูหมิน่นเอาแล้วทําไมไม่เสียใจละ่ะบอกว่าท่านพราหมณ์ธรรมดาแล้วหม้อดินเผาเมื่อตกแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแล้วไม่สามารถกลับมาติดต่อกันให้เข้าเป็นหม้อได้ชั้นใด นายของดิฉันก็ฉันนั้นถ้าใครร้องให้เพราะหม้อแตกถือว่าไม่ฉลาดเลยดังนั้นดิฉันจึงไม่ร้องให้แล้วก็จบว่าทัานพราหมณ์ชีวิตตังอัทวังมรณะงั่งทุวังท้าวส ก, กะได้ยินโอ้ยสาธุเป็นไปได้อย่างไรนี่เป็นไปได้อย่างไรท้าวส ก, กะพึงพอใจในคุณสมบัติของคนทั้งห้า ก็เลยเปล่งวาจาออกมาว่าท่านทั้งหลายพวกท่านช่างทำความดีที่ประเสริฐยิ่งนักเอาล่ะท่านอย่าท้อถอยอย่าท้อแท้ในการทำความดีอย่างนี้เลยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพวกท่านอย่าได้ลำบากเลยแล้วก็เดินเดินเดิ น, ดนหายวับเข้าป่าไปเล ย, เลยทั้งห้าคนเก็บศพเรียบร้อยตกค่ำเดินทางกลับบ้านไปถึงบ้านรัตนะ ของเต็มบ้านเลยเทา้ากสกะเนรมิดไว้ให้พอกลับไปก็รู้เลยว่าคนที่มาเยี่ยมนะไม่ใช่คนธรรมดาคงเป็นเทวดาตนใดตนหนึ่งก็นำรัตนะที่ได้มานะไปขายแล้วก็นำมาสร้างโรงทานขึ้นทำบุญไปจนตลอดชีวิตทั้งให้ทานทั้งรักษาศีลทั้งฟังคำแนะนำสั่งสอนของมดิดตไม่เคยขาด พอทุกคนสิ้นชีวิตแล้วก็ไปเกิดในเทวโลกเหมือนกันหมดเลยทั้งหมดที่เล่ามาเพาะประโยคเดียวเนี่ยประโยคนเดียวพรามานปุตตสเตมโรโคอุอปโ น, โนเนี่ยต่อไปประโยคที่เจ็ด กุตชติละอักรันยัโตอาคันตวามะชะตาสุอักกามสิกุตชติละเป็นอาลภัณนะกุตะแปลว่าคดแปลว่าโกงแปลว่าขี้โกงนั้นนะเวลาใทยขี้โกงก็เรียกว่ากุตะได้กุตักุตัตเจ้าขี้โกงส่วนชติละตามหลังเนี่ยเป็นคําเรียกฤาษีทับศัพท์ว่าชดินกุตชะชติละก็แปลว่านี่ชดินโกง ชดินขี้โกงถ้าโยมเกียติพลก็อะไรล่ะกุตะถาปนันทะเหรออะกุตะถาปนันทะใช่มั้ย อ, <c oughs> อังกรัญยะโตโตตัวนี้เป็นปัญจมีวิพัตคือโตปัจจัยใช่ในอัตปัญจมีวิพัตที่เ ร, เรียนมาในเรื่องวิพัตปัจจัย อิพัตปัจยันตาน่นนะอังรันยะโตอังรันยะแปลว่าป่าภาษาไทยออ ก, ก็อังรันก็แปลว่าป่าโตแปลว่าจากอังรัญยะโตแปลว่าจากป่าออาคันตวามาแล้วอังรันยะโตอาคันตวามาแล้วจากป่ามาจากป่าแล้วมมวะแปลว่าของเราของข้าพเจ้าของข้าชะตาสุ สุเป็นสตรีมิวิพัตผู้หูพจน์แปลว่าที่ทั้งหลายชาตาไทยทับศัพท์ว่าชดารู้จักชาดาฤๅษีไหมชดาลิเกขนพวกนี้ยรู้จักไหมอ่านั่นแหละชตาแหละแปลว่าที่ชดาทั้งหลายอักคมสิแปลว่าเหยียบแล้วเหยียบแล้วเหยียบแล้วสี่ตัวนี้คู่กับตะวังไม่มีในประโยคเนี้ แต่ให้รู้ว่าคือตะวันตะวันท่านอากมัสสีเหยียบแล้วได้เหยียบแล้วกุตะชะติละนี่ฉดินโกงตะวันท่านอาคันตวามาแล้วอกรัญญโตจากป่าอากมัสสีได้เหยียบแล้วชตาสุที่ชดาทั้งหลายมะมะของข้านี่คําฉุนเฉียวไม่พอใจนะถ้าบอกว่ากุตะเนี่ยนะ ท้าไม่โกรธก็คือกชาติระเฉยๆบอกว่ากูตะชาติระนี่เจ้าขี้โกงเลยนะเจ้าชะดินโกงหนีออกมาจากป่าแล้วยังมาเหยียบชาดาของข้าอีกหรือไม่เหยียบเต็มฝาา่า<อ>เท้าเหยียบโดนหลายจุดเหยียบ <c oughs> ทีเดียวก็ <c oughs> <c oughs> คือพูดง่ายๆว่าเหยียบเต็มๆ เ, เลยพูดง่ายๆโอ้หเหยียบเต็มชาดาข้าเลยเหรยอะไรเนี่ย <c oughs> ฟังอีกไหมนิทานนะเล่าแล้วเล่าหลายทีแล้วเทวระดาบทกนารถดาบทที่ศีรษะแตกเจ็ดเสียงนั่นนะจำได้หมอ่านะประโยคนี้แหละไม่ต้องเล่าอีกแล้วฮะต่อไปเปิดไปข้อแปดอาจังริยะตุมมหากังอีทะนิปปนะภาวังนาชานามิขมะทะเม ประโยคที่เจ็เป็นคําพูดของดาวบทอีกท่านหนึ่งประโยคที่8เป็นคําพูดของดาวบทอีกท่านหนึ่งลองดูสิดูอารัปณะสีว่าใครพูดเพราะกว่ากันคนแรกพูดบอกว่ากุตะชติละแน่เจ้าขี้โกงส่วนคนที่สองพูดว่าอาจริยะโอ้ท่านอาจารย์ <laughs> ท่านอาจารย์ตุมมหากรังอิทานิปัณะภาวังนะชานามิมิคู่กับอหังอหังกับผมข้าพเจ้า ณชานามิย่อมไม่รู้ย่อมไม่รู้นิพพนาภาวังซึ่งความนอนแล้วซึ่งการนอนแล้วอิทะในที่นี้ตุมมหากรังของท่านเห็นไหมตุมหากังยังยกย่องใช้ผูหูพจน์เลยนะให้เกียรติมากเลยนะพูดเนี่ยแบบพูดไพเราะยกย่อง่ะ ส่วนในคนหนึ่งพูดแบบดูถูกคนหนึ่งพูดแบบยกย่องท่านอาจารย์ข้าพเจ้าไม่รู้ว่าท่านนอนตรงนี้ขมะาธะเมขอจงอดโทษแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดขมมาถะแปลว่าจงอดโทษเมแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าขออภัยนั่นเอง เป็นยังไงนะเรื่องมัน่ะตอนเหยียบชะดาเนี่ยฮะเปลี่ยนที่นอนอยู่เรื่อยระวังนะใครไปไหนไมาไหนแล้วไปนอนร่วมห้องเดียวกันเน่ <c oughs> ไม่มีชะดาก็มีขาแหละอาจจะเหยียบขาได้ <c oughs> แต่ดีหน่อยถ้าไปนอนโรงแรมนอนอะไรก็มีเตียงคงไม่เหยียบกันนะ แต่ถ้าไปนอนห้องโลง่ลงๆอย่างนี้นะปูเสือนอนนะเต็มๆ เ, เนี่ยเหยียบกันได้ต่อไปข้อเก้าข้อสุดท้ายอภินเยยังอภิญญาตังพาเวตพันจะพาวิตังปหาตับพังปหีนางเมตสมาพุทโธสมิพรามณนะเห็นอารัปนะไหมในคาถาเนี่ยอยู่ไหนอารปัปนะพรามณนะมนะเป็นอารปัปนะพรามณนะดูก่อนพรามใครเหรอ ใครเป็นคนพูดพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสคาถานี้พรามณะดูก่อนพ ร, พรยาหมอภินยยังทำที่ควรรู้แปลว่าอภิญญ ย, ยังแปล ว, าวรร่าอันควรรู้ทำอันควรรู้อภินญาตังเราได้รู้แล้วอภินญาตังแปลว่าได้รู้แล้ว ทำที่ควรรู้ก็รู้แล้วภาเวตาพันจะตัดมาเป็นพังบวกจะภาเวตาพังทำที่ควรเจริญภาวิตังจเจริญแล้วทำที่ควรเจริญเราก็ได้จเจริญแล้วจะก็แปลว่าและและและน่ะ น, นะปะหาตาพังทำที่ควรละทำที่ควรละ ปะฮีนังเราละได้แล้วตัสมาเพราะฉะนั้นพุทธโธสมิเป็นสนธิตัดมาเป็นพุโทโธบวกอัศมิอัศมิคู่กับอาหังเห็นอัศมิมาก่อนไหมเห็นไหมก่อนหน้านี้เคยเห็นอัศมิไหมฮะ อ่ะเกิดขึ้นไปดูทําไม่เคยเห็นนะี่ยหน้าหกเลยมาแล้วหน้าหกดูอหังซีมีอัศมีไห ม, มในวงเล็บเห็นไห ม, มอหัมหิหรืออัศมิอัมหิอัศมีนี่คือตัวเดียวกันเป็นอัมหิก็ได้เป็นอัศมิก็ได้ดังนั้นอหังก็ต้องคู่กับอัศมีอหังพุทธโทอัศมิอัศมีแปลว่ามีเป็นดังนั้นตัวพุทธโธ ท, ที่อยู่ข้างหน้าจึงเป็นวิคติกัรตาแปลว่าเป็น พุทโธโสมิจึงแปลว่าเป็นพระพุทธเจ้าตัสมาเพราะฉะนั้นอาหารเราพุทธโธอสมิจึงเป็นพระพุทธเจ้ามีพรามผู้หนึ่งมีพรามผู้หนึ่งพบพระพุทธเจ้าแล้วก็ถามว่าสมณะท่านเป็นใครพระพุทธเจ้าบอกว่าพุทโธโสสมิ พุทธโสมิเชิโทษส ม, ษมิเป็นต้นะบอกว่าเราเป็นพระพุทธเจ้าโอ้ยอย่ามาหลอกกันเลยเมื่อวานนี้องค์หนึ่งเดินผ่านไปก็บอกเป็นพระพุทธเจ้าแล้ววันนี้ท่านเดินผ่านมาก็บอกเป็นพระพุทธเจ้าอีกเอ๊ะแล้วใครเป็นพระพุทธเจ้ากันแน่หรือว่าพระพุทธเจ้ามีจํานวนมากพราหมณ์พูดแบบไม่ค่อยจะเชื่อดังนั้นคาถานี้เนี่ยพระพุทธเจ้าจึงตรัสกับพราหมณ์ผู้นั้นว่า ท่านพรามณ์ทำที่ควรรู้เราก็รู้แล้วทาที่ควรจเจริญเราก็จเจริญแล้วทาที่ควรละเราก็ละได้แล้วเพราะฉะนั้นเราจึงเป็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละคําอย่างนี้ไม่เคยฟังมาก่อนเลยแม้แต่คนอื่นๆบอกว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์บ้างตัวเองเป็นพระพุทธเจ้าบ้างแต่ไม่เคยได้ยินคาอย่างนี้โอ้นี่คานี้ช่งางไพเราะจริงๆแสดงว่า ผู้นี้เป็นพระพุทธเจ้าจริงๆเวลาจะแปลแปลอย่างนี้นะอภินยยังทำอันควรรู้ยิ่งมเมอันเราเมอันเราอภิญญาตังรู้ยิ่งแล้วทำอันควรรู้ยิ่งเมอันเราอภิญญาตังรู้ยิ่งแล้ว ในไงมีอยู่แล้วเนี่ยข้างล่างเนี่ยคาแปลนะไม่ต้องจดก็ได้ในสั์ควรรู้เนี่ยมีทุกตัวอยู่เป็นใจอย่างทำที่ควรรู้ต่อไปพาเวตาพังทำที่ควรทำให้จเจริญเมตตัวเดิมนี่แหละนะเมหมดเลยเมอันเราพาวิตังทำให้จเจริญแล้วปหาตาพังทำที่ควรละ ทาที่ควรละเมอันเราประหีนังละได้แล้วตสมาเพราะเหตุนั้นพุทธทสมิเราจึงเป็นพระพุทธเจ้าอาหารเราพุทธโธเป็นพระพุทธเจ้าอัตสมิย่อมเป็นถ้าจะแปลแบบเขาแปลประโยคนี้จะเป็นยะตางกันไหมครับไม่เป็นครับเอายะที่ไหนเอาตาที่ไหนอ่ะคุณโกนี่เป็น พุทโธเป็นวิธิกธาอาหารเป็นประธานอาสามิเป็นรียาแปลตัวไหนไม่ทันบอกอกลับขึ้นมาแปลทีเนี้ยช่วยกันแปลตั้งแต่ข้อหนึ่งมาเลยอ่านก่อนแล้วก็ยกสัแปลแล้วก็แปลโวหารข้อหนึ่ง<ฮ>ภะคะวะโตจะสางรีปุตตะ วิปัสสิทธะพระควโตจะสีขีสะพระควโตจะเวสพุทธะพร ม, มัจจุริยังนจะิงรัตทีติกังอาโหสิสังริปุตะดูกสรสังหริบุตพระมัจจุริยังพระศาสนาพระควโตของพระผู้มีพระภาคไม่ต้องเจ้าหรอก วิปัสสิสะพระนามว่าวิปัสสีจะด้วยพระควะโตของพระผู้มีพระภาคสิขิสสะพระนามว่าสิขีจะด้วยพระควะโตของพระผู้มีพระภาคเวสสพุสะพระนามว่าเวสพูจะด้วย ณนะจิงรัตติติกัรอะโหสิไม่เป็นพระศาสนาอันดำรงอยู่ได้นานประโยคที่อ2อพระควะโตจะสารริปุตตะกกุสันทัสสะพระควะโตจโกนาขมานัสสะพระควีโตจะกาาาาัสสปัสสะธรรมจังริยางจิงรัตติติกังอโหสิ ึ<ม>เป็นอืมเอาเอาหลายสำนวนข้อสา<อ>ม ต้องดูก่อนอหรอกลูกอะไรจะเรียบแม่ว่าดูก่อนค่าแตนรู้ได้ไงว่าเป็นกระผม ถายะถาอย่างไรอย่างไรสี่ ซึ่งซึ่งซึ่งการนอนในที่นี้ของท่านนะอืมนิปปนาภาวังเอาแค่นี้ก่อนนิปปนาภาวังซึ่งการนอนแล้วอิทัตตุมหากังของท่านท่านเดียวก็พอแล้วขมาทะ ขมาธาขม า, าจงอดโทษเมแก่ของไม่ได้ต้องแก่응ต่อไป ต้องใส่ย่อมอ่ะพุทธโทสมิเป็นพระพุทธเจ้าโทสมิเป็นพระพุทธเจ้าอาละจบจบปัมาวิพัฒน์ข้างล่างนี้ท่านสั่งเพิ่มเติมเล็กน้อยว่าโปรดจำไว้เสมอว่าบทที่มีปัมาวิพัฒน์อยู่สุดท้ายเมื่อลงอัตกัตตาเหตุตุกตาวิกติกัตาอภิหิตกรรมกิริยาวิเศสนะต้องมีบุงหุดและวัชณะตรงกับกิริยา บุรุษและวัจนะตรงกิริยาก็คือถ้าเป็นปฐมบุรุษก็ต้องปฐมบุรุษเหมือนกันเป็นมัธยมบุรุษก็เหมือนกันอุดมบุรุษก็ต้องเหมือนกันหรือถ้าเป็นเอกภพก็ต้องเหมือนกันพวกหูพจน์ก็ต้องเหมือนกันผิดกันไม่ได้ถ้าผิดกันก็ถือว่าประโยชน์นี้ใช้ไม่ได้เลยแต่ถ้าตัวอื่นที่ไม่ใช่ประธานกับกับกิริยาเนี่ยนะจะแตกต่างกันก็ได้เหมือนกันก็ได้ไม่ว่าแต่ว่าเฉพาะตัวประธานกับกิริยาต้องตรงกัน